วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะปฏิบัติแบบเพิดเพิดทุกทผลก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุ ถ, ถึงผลที่เราควรจะบรรลุกันได้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย การปลดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคอยสั่งสอนพวกเราพวกเราจะไม่มีวันที่จะสามารถปฏิบัติให้ปลดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เลยเาะ เป็นวิธีที่ต้องผู้ที่ได้ปฏิบัติแล้วได้เห็นแล้วได้บรรลุแล้วถึงจะสามารถมาสอนให้ได้อย่างถูกต้องดังนั้นการได้ยินได้ฟังธรรมเกี่ยงเป็น สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการฟังธรรมจึงเป็นกิ จ, จกรรมหรือกิ จ, จกวัตร ที่ผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องฟังอย่างสม่ำเสมอฟังอย่างต่อเนื่องเพราะธรรมนี้มีหลายระดับมีรายละเอียดมากมายที่ไม่สามารถที่จะฟังได้เพียงครั้งเดียวแล้วนำให้ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้ ยกเว้นผู้ที่ได้ปฏิบัติมาได้ศึกษามาก่อนอย่างในสมัยพระพุทธการสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนในช่วงแรกๆพระพุทธเจ้าทรงมุ่งไปสอนผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาจนติดอยู่ขั้นสุดท้ายแล้ว คือขั้นปัญญาท่านเหล่านี้ท่านได้ผ่านขั้นทำทานมาแล้วได้ผ่านขั้นรักษาศีลมาแล้วได้ผ่านขั้นสมาธิมาแล้วแต่มาติดอยู่ตรงขั้นปัญญาไม่รู้ว่าปัญญาที่จะทำให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นคืออะไรดเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ให้กับพวกที่เป็นนักบวชนะนักบวชนี่เขาสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทำทานอย่างเต็มร้อยนะแล้วก็ไปรักษาศีลของนักบวชอย่างเต็มร้อยนั่งสมาธิจนจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเป็นฌานขั้นระดับต่างๆ ก็มาติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่ตรงที่กิเลสตัณหาตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจตัวที่ทําให้ไปเกิดแก่เจ็บตายมันก็ยังไม่ตายไปจากอํานาจของการทําทานจากอํานาจของการรักษาศีลจากอํานาจของการสมาธินั่งสมาธิทําใจให้สงบ เวลานั่งสมาธิใจสงบกิเลสตัณหามันก็สงบตัวไปชั่วคราวแต่มันไม่ตายพอออกจากสมาธิมาพอจิตไปสัมผัสรับรู้กับอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาใหม่เกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีจะ ก, กําจัดตัวนี้ ให้มันหายอย่างสิ้นซาได้พระพุทธเจ้าก็ทรงติดอยู่่านนี้ก็ทรงได้สละราชสมบัติได้ออกบวชได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิจนจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิเป็นฌานระดับต่างๆแต่พอออกจากสมาธิมาก็ยังมาเจอ ความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดจากความอยากความโลภความโกรธความหลงไปศึกษากับผู้ใดก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ก็เลยต้องทดลองศึกษาค้นคว้าหาด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกอยู่สักพักใหญ่จนในที่สุดก็ได้เจอวิธีที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงการพิจารณาดูสิ่งที่มีอยู่ภายในใจ ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันดับได้อย่างไรก็ทรงพบว่าความอยากต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะความหลงคือการที่มองไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจไปอยากได้ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นอนิจจังเวลาอยากได้อะไรจะเห็นว่ามันดี มันจะเป็นมันจะดีไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจะให้แต่ความสุขกับเราจะเป็นของเราไปตลอดแต่พอทรงพิจารณาดูสิ่งต่างๆไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นเลยทุกอย่างไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไป ไม่มีอะไรที่เราจะเรียกว่าเป็นของเราได้อย่างท้าวรพอเวลามันจากเราไปเวลามันไม่เป็นของเราเราก็เสียใจเราก็ทุกข์ใจความทุกข์เกิดจากการไปอยากในสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดพอเขาไม่ให้ความสุขกับเรา เราก็ทุกข์ใจขึ้นมาเวลาได้ความสุขมาพอสิ่งที่ให้ความสุขเราหมดไปเราก็เสียใจเราก็ทุกข์ใจพระพุทธเจ้าก็เลยทรงเห็นต้นเหตุของความอยากความโลภต่างๆก็คือความหลงคือการไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรส ราบยศสรรเสริญบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเวลามีก็ดีแต่เวลาไม่มีก็ทุกข์กันดังนั้นถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็อย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากได้อะไร อย่าไปอยากดูอยากฟังอะไรเวลาเกิดความอยากก็ต้องฝืนหยุดมันอย่าไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเช่นคนอยากจะสูบบุหรี่อยากจะดื่มสุราเวลาทุกครั้งที่อยากจะดื่มอยากจะสูบถ้าไม่ดื่มไม่สูบ ต่อไปความอยากที่จะดืม่มจะสูบมันก็จะหายไปแต่ถ้าดืม่มมันก็จะไม่หายเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่สูบอยากจะสูบก็สูบพอสูบแล้วมันหายไปเดี๋ยวเดียวแล้เดี๋ยวความอยากก็กลับคืนมาใหม่ไม่มีวันหมดจึงทรงเห็นว่าวิธีที่จะ หยุดความอยากได้ก็คือต้องไม่ทําตามความอยากต้องต้องทําใจให้เฉยๆ เ, เวลาอยากก็อย่าไปสนใจให้กลับเข้าไปในสมาธิให้ทําใจอยู่กับความสงบเวลาใจสงบแล้วก็จะอิ่มจะพอจะไม่หิวให้เห็นโทษของการทําตามความอยากว่าเป็นการพาไปสู่ความทุกข์ ไม่ใช่เป็นการพาไปสู่ความสุขความหลงทำให้เราเห็นว่าเวลาเราอยากได้อะไรเราได้มาแล้วเราจะมีความสุขกันอยากได้ลาบเราก็คิดว่าได้เงินทองมาแล้วจะมีความสุขกันแต่เรามองไม่เห็นเวลาที่มันสูญเสียลาบไปสูญเสียเงินทองไปสูญเสียตำแหน่งไปเวลาอยากได้ตาแหน่ง ได้มาก็ดีใจเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกันใหญ่พอเวลาสูญเสียตำแหน่งไปไม่มีงานจัดงานเลี้ยงส่งกันเลยเงียบเราต้องเห็นอนิจังของราบยศสัเสริญเห็นอนัตตาของราบยศสันตรสญว่าเป็ น, นเป็นสมบัติผลัดกันชมไม่ได้เป็นของเราคนเดียว นายกรัฐมนตรีเดี๋ยวก็เปลี่ยนคนใหม่รัฐมนตรีเดี๋ยวก็เปลี่ยนคนใหม่ผู้อํานวยการก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนคนใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกตําแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องไม่ทําตามความอยากการที่จะไม่ทําตามความอยากได้ ก็คือต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขไว้ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่เอาแล้วถ้าเราอยากจะดื่มสุราแล้วเขาเขียนว่าดื่มแล้วจะต้องตายภายในเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่ใครจะกล้าดื่มเลยแต่มันตายภายในหกสิบปีมันก็เลยไม่กลัวอคนที่ดื่มสุรานี่มักจะตายก่อนคนอื่นนะ อายุจะสั้นกับคนอื่นแต่มันยาวแล้วเกินมันนานเกินไปมันก็เลยไม่กลัวกันถ้ารู้ว่ากินเข้าไปแล้วต้องตายภายในหกหกนาทีนี่ไม่มีใครอยากจะแตะเห็นไหมพวกยาพิษที่เขามีป้ายก็กะโหลกคข่กะโหลกไข่กระดูกติดไว้ในไว้ที่ขวดนี่พอเห็นแล้วก็ไม่มีใครอยากจะแตะ เราต้องเห็นอย่างนั้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นเหมือนอยาพิษเพียงแต่ว่ามันจะพ่นพิษใส่เราช้ารือเร็วท่านนะี่บางทีก็เร็วบางทีก็ช้าบางทีได้มาปุ๊บหมดไปแล้วก็เนี้ยบางทีได้มาแล้วก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆอยังหามาเติมได้เรื่อยๆพอหมดก็หามาเติมได้เช่นเงินทองนี่เราก็เติมมันอยู่เรื่อยๆใช่ถ้าไม่เติมมันมันก็หมดไปนานแล้ว อาศัยเรายังเติมมันได้อยู่แต่วันดีคืนดีไปเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราเติมไม่ได้รายรับรายรับน้อยกว่ารายจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังเรถึงเวลานั้นก็เพียดขึ้นมาแล้วทุกขึ้นมาแนี่ขอให้เรามองอย่างนี้คือเราจะได้หยุดการสแสวงหาราบยศสรรเสริญหยุดการสแสวงหา รูปเสียงก ล, ลิ่นรสผดผาดเรามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนาทำใจให้สงบและเวลาใจออกจากความสงบก็ใช้ปัญญาคอยสกัดความอยากเวลาเกิดความอยากก็บอกอย่าทำดีกว่าทำแล้วไ ม, ไม่มีวันจบอยากแล้วอยากอีกอยากต่อไปอยากไม่มีวันจบ ถ้าไม่ทําตามมันแล้วเดี๋ยวความอยากก็จะหมดไปพอไม่มีความอยากแล้วจะสบายอยู่เฉยๆใจไม่ต้องการอะไรสิ่งที่ที่ใจอยากได้ผ่านทางร่างกายนี้ใจเพียงแต่สัมผัสรับรู้เท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้แตะต้องอะไรมันเลยผู้ที่แตะต้องมันก็คือร่างกายร่างกายเป็นผู้จับเงินจับทองร่างกายเป็นผู้รับประทานอาหาร ขนมของขาวของหวานต่างๆเครื่องดื่มต่างๆแต่ใจไม่ได้รับประทานของเหล่านี้เลยเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองรับรู้กลิ่นรับรู้รสของมันแล้วก็ไปติดกับรูปกลิ่นของมันเท่านั้นเองใจไม่มีรูปกลิ่นเสียงกลิ่นรสก็ไม่ตายสิ่งที่ทำให้ตายใจทรมานก็คือความอยากพาเวลาอยากแล้วใจมันไม่สงบ ใจมันหมุนเป็นเกลียวมันเครียดมันเตึงเครียดไปหมดแต่เวลาใจทำใจสงบนี้มันหยุดความอยากไว้ชั่วกราวความเตึงเครียดในใจก็หายไปความสบายอกสบายใจความเย็นอกเย็นใจความอิ่มเ อ, อิบใจก็จะเกิดขึ้นมานี่คือสิ่งที่พวกเราจะไม่ได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่ ได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรามกันถ้าเราอยู่ในทางโลกนี้เขาจะสอนให้เราทำตามความอยากกันกระตุ้นความอยากกันเศรษฐกิจนี้ต้องกระตุ้นกระตุ้นด้วยความอยากเอาเงินมาแจากกันจะได้เอาไปใช้ซื้อนูน่นซื้อนี่กันซื้อแล้วจะได้มีงานมีผลิตสินค้าต่างๆออกมา สินค้าจะได้มีรายได้กันแต่มันได้เท่าไหร่มันก็ไม่อีกไม่พอกระตุ้นเท่าไหร่ก็ไม่พอพอเงินทองไม่พอใช้ขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาขึ้นมากั น, นเกิดการคอร์รัปชันต่างๆเกิดการทุจริตต่างๆขึ้นมา เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นมาเกิดความไม่สงบในสังคมโจนผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองคนคดคนโกงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมไปที่ไหนก็มีภัยรอบด้านเพราะความอยากทำให้คนต้องทำบาปทำกรรมกันเพราะเมื่ออยากแล้วมันทรมานใจ จนกว่าจะได้สิ่งที่อยากได้มันถึงจะหายแล้วถ้าไม่สามารถหามาได้ตามด้วยวิธีที่ถูกศีลถูกทมถูกกฎหมายก็จะไปหาโดยวิธีที่ไม่ถูกศีลถูกทำไม่ถูกกฎหมายทาไปแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้เนี่ยปัญหาต่างๆที่เรามีกันอยู่ใน สังคมอยู่ในบ้านในเมืองเราไม่ได้เกิดจากอะไรกเกิดจากความอยากนี่แหละทุกคนอยากได้นั่นอยากได้นี่กัน แ, แย่งกันคนที่ได้ก็คนที่ได้โดวยวิธีถูกกฎหมายก็ไม่ต้องไปทําผิดกฎหมายคนที่ได้ด้วยวิธีที่ถูกศีลธรรมก็ไม่ต้องไปทําด้วยวิธีผิดศีลธรรมจากคนที่ไม่ได้ก็ต้องไปทําด้วยวิธี ผิดกฎหมายผิดศีนและธรรมเพราะถ้าไม่ได้แล้วมันเครียดมันไม่สบายใจหงุหดหงิดลำคาใจในเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้นี่มันไม่เป็นสุขกันนี่ะโทของความอยากที่เรามองไม่เห็นกันมันทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขกันทำให้เราต้องดิ้นต้องไปแข่งแย่งชิงดีกัน แล้วก็ไปห้ามหันกันไปทําร้ายกันไปทำลายกั น, กนถ้าทุกคนทําใจให้สงบได้ทุกคนไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องมีอะไรทังเกจดูถ้าทุกคนเป็นพระได้ในสบาย<ม>ก็จะนั่งสมาธิกันไป<ม>ก็ทําทงานอย่างมากก็ทําเพื่อมีมีปัจจัยสี่ก็พอแล้ว แต่เมื่อทุกคนเป็นคระเราก็แบ่งหน้าที่กันคนนี้ไปถูกข้าวคนนี้ไปปลูกผักก็ทําเท่าที่จําเป็นหาเท่าที่จําเป็นไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์กันกินข่าวกินผักกันไปกินผลไม้ ก, กันไปบ้านช่องก็อยู่กันง่ายๆทํากระสอบอยู่กันจะยากเย็นตรงไห น, นไม่ต้องมีประาสาทราชวางัง มันก็ทำหน้าที่เหมือนกันหลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันหลบพิษหลบภายได้เหมือนกันไม่ต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมเราใช้ธรรมชาติอุตสาหกรรมธรรมชาติไม่มีไทยไม่มีไม่มีไทยทางด้านสิ่งแวนแล้อมสมัยก่อนเราเมืองไทยที่ยังไม่ไม่ได้มีการมีโรงงานเราก็อยู่กันได้เราใช้ใบตองใช้เชือกล้วย ใช้ของที่เป็นธรรมชาติลำคุงลําคลองมันก็เลยสะอาดไม่สกปรกแม่น้ำําคลองอ ะ, อะไรต่างๆสะอาดน้ำใสสะอาดเพราเราอยู่กันแบบเรียบง่ายอยู่กันแบบส ม, มถะอยู่แบบปฏิจจทโพเทียงพอมีกินมีอยู่ก็พอแล้ว คามสุขไม่ได้เกิดจากการมีกินมีอยู่แบบพิสดารอยู่แบบมหาเศรษฐีมหาเศรษฐนะีกินอยู่ยังไงกับคนธรรมดากินอยู่ไงก็ได้ความสุขเท่ากันใช่ไหมอยู่บ้านร้อยล้านกับอยู่บ้านเช่ามันก็มันก็เป็นบ้านเหมือนกันนอนหลับได้เหมือนกันดีไม่ดีนอนบ้านเช่าหลับสบายกว่านอนบ้านร้อยล้าน รลอยลานเครียดเพราะว่าต้องเอาเงินมามาจ่ายท่าบ้านไปซื้อผ่อนมางนเรื่องของความสุขทางร่างกายนี้ไม่ต้องมีมากมีพอเพียงก็พอแล้วพออยู่ได้ก็ถือว่าได้เต็มที่แล้วมีที่หลบแดดหลบฝนหลบไทยก็ถือว่า ได้ความสุขเต็มร้อยนะสาหรับทางร่างกายจะอยู่บ้านหลังละล้านบ้านสิบล้านบ้านร้อยล้านมันก็เหมือนกันถ้าเราทุกคนอยู่ท่านกะต๊อบอยู่กันสบายไม่มีภัทยทางสิ่งแวดล้อมไม่ ม, ม, ม, มีควันพิษไม่มีมลพิษอะไรตางควันพิษไม่มีขยะเป็นพิป นี่คือเรื่องของทางร่างกายพอพอมีปัจจัยสี่พอเพียงก็พอลวส่วนทางสุขทางใจก็ต้องทําใจให้สงบนะต้องฝืนความโลภความอยากต้องไม่ทําตามความโลภความอยากเพราะถ้าไปทําตามความโลภแล้วมันจะขยายตัวไปเรื่อย ได้เท่าไรก็ไม่พอความโลภความอยากทาให้พวกเราสร้างโรงงานผลิตสินค้าอะไรกันออกมามากมายแล้วก็มาทำลายธรรมชาติทำลา ย, ายโลกของเราเนี่แหละต่อไปโลกของเรานี่จะกลายเป็นกองขยะเราผลิตสินค้าต่างๆสินค้าที่เราใช้พอใช้แล้วมันก็กลายเป็นขยะแต่ เต็มบ้าน เ, นเนต็มเมืองจากเรื่องของโลกมันก็ไม่เป็นคั้ปัญหาอะไรหรอกถึงแม้จะเป็นถึงแม้เราจะอยู่กันแบบธรรมชาติโลกมันก็มีอายุไขของมันโลกทุกโลกโลกกลมๆเนี่ยมันมีอายุขมันทั้งวันเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมมันจะไม่สามารถรับรองชีวิตได้สนับสนุนชีวิตได้ มันอาจจะหนาวเกินไปหรือมันอาจจะร้อนเกินไปมันอาจจะแรงเกินไปมันอาจจะท่วมโลกคนตายกันหมดหมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกต่อไปโลกนี้มันอาจจะเป็นเหมือนดวงดาวดาวังคารที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรก็ได้เพราะของพวกนี้มันเป็นของชั่วคราว ที่มันมีอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีปัจจัยที่ทำให้มันอยู่ยังมีแสงอาทิตย์มีความร้อนพอเพียงไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปถ้าเกิดสักวันหนึ่งแสงอาทิตย์มันค่อยๆอ่อนกาลังลงความร้อนมาจากดวงอาทิตย์มันก็เหมือนเตาพาที่นี้ก็เป็นเหมือนเตาแก๊สดีๆนี่อดี๋ทสักวันแก๊สมันก็ต้องหมดพาที่มันก็มันต่อไปความร้อนจากพาทย่มันก็จะ น้อยลงไปน้อยลงไป่อไปที่นี่มันก็จะกลายเป็นเหนเป็นหิมะไปหมดเราจะไปปลูกอะไรกินยังยาเดี๋ยวก็ตายกันหมดแต่จิตไม่ตายไปกับร่างกายเท่านี้จิตมันก็ฉลาดไม่มีโรคนี้อยู่กูก็ไปหาโรคใหม่นะ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปเจอโรคใหม่ที่เป็นเป็นเหมือนโรคนี้เหมือนก็ไปเกิดใหม่ แต่ว่ามันไปเกิดแล้วมันต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายถ้ามันเกิดแล้วไม่ตายได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องมาปฏิบัติธรามให้เองถ้าไม่ตายก็มีปัญหาถ้ามีแต่เกิดเดี๋ยวคนก็นลก้นนอกยคนร้อนนอกมันก็ไม่มีมันก็ไม่พอกิ น, นจริงเกิดมาแล้วตายมันก็ดีนะเพราะคนอื่นเขาจะได้อยู่กันได้ลูกหลานเขาจะอยู่กันยังไง ถ้าเราไม่ตายอย่างนี้ลูกหลานเลนเกิดขึ้นมามันก็เดี๋ยวมันก็ไม่มีที่อยู่อาศัยกันไม่มีอาหารกินกันมันแย่งกันเห็นความจริงธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างก็ทํามาดีแล้วทุกอย่างก็มีเหตุมีผลของเขาแต่พวกเราความอยากของพวกเรามันไม่มีเหตุมีผล เกิดมาแล้วก็อยากจะอยู่ไปจนไม่มีวันตายพอที่ถึงความตายก็ทุกข์กันขึ้นมาคิดถึงความแก่ก็ทุกข์กันขึ้นมาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ยังไม่ทันเจอเลยเพียงแต่คิดก็ทุกข์กันแล้วเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทำให้เราทุกข์กันพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากอยากก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไร อยากก็มันก็ยังแก่เจ็บตายเหมือนเดิมเห็นแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราทําใจเฉยๆให้เป็นอุบเบกขาอ้าแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายควาจริงไม่ใช่เรื่องของเราเราไปเสือกเองร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะเราไปยุ่งกับมันเองเราไปหลงที่ว่าเป็นตัวเราของเราพอไปหลงว่าอะไรเป็นของเราก็เกิดความรักความหวงขึ้นมา ตามอยากให้มันอยู่กับเราไปนานเพราะจะนั้นตัวอนัตตาร่างกายนี้อนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของพ่อแม่พ่อแม่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเราก็มาอาศัยอยู่เราคือตัวรู้ตัวคิดตัวที่ไม่มีรูปมีร่างนี่แหละคือตัวเราของเรา ตัวแท้จริงของเราก็คือตัวรู้นี่เอตัวจิตตัวใจตัวรู้นี่แหละที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่เวลาไม่มีร่างกายก็ต้องมาหาร่างกายอันใหม่เพราะยังมีตัวอยากยังอยากดูอยากฟังอยู่อยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูแต่มีตามีหูก็ต้องมีร่างกายจะมีร่างกายก็ต้องมาเกิด พระเจ้าก็เห็ น, หนตัวอย่างนี้มีโทษสองชั้นทําให้ทุกข์ใจเวลาอยากได้แล้ ว, ลวก็ทุกข์ใจไม่สมายใจแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้เรา ก, กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเรากําจัดตัวความอยากได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาทุกกับความแก่กับความเจ็บความตายอีกต่อไป นี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นหาด้วยพระองค์เองที่เรียกว่าตัดสรู้ตัดสรู้ว่าเนี่ยความทุกข์ใจเกิดจากความอยากการเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดจากความอยากถ้าอยากจะดับความทุกข์ดับความเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องหยุดความอยากาการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นโทษของมันเห็นว่าเวลาเกิดความอยากแล้วใจไม่สบาย จะเห็นได้ชัดก็ต้องมีสมาธิเวลามีสมาธิความอยากหยุดทํางานใจสบายพาอจากสมาธิมาพอความอยากโผล่ขึ้นมาใจไม่สบายพอกจากสมาธิมามาเห็นร่างกายว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเอาปัญญามาสอนใจว่าความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ได้เป็นปัญหามันไม่ได้ทําให้เราทุกข์ ตัวที่ทำให้เราทุกข์คือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองเราก็หยุดเชียอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากยังไงมันก็แก่เจ็บตายอยู่ดีไม่ได้ปีดเปลี่ยนแปลงอะไรเราเพียงแต่มาหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่นั้นเองร่างกายของทุกคนนี้ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าใจของเราจะไปทุกข์หรือไม่ทุกข์กับมันเท่านั้นเอง ใจของคนที่รู้คนที่ฉลาดมีปัญญาก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคนที่ไม่ฉลาดก็ไปหลงอยากจะให้อยู่ไปนานๆอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยทุกข์กับมันทุกข์ไปจนมันตายทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ตายในตอนนี้ทุกข์ไมเพราะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแตทุกข์ทำไมนะทุกข์แล้มันหยุดกันได้ปะ หยุดความไม่ยความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดีกวา่าจะหยุดได้ก็ต้องมีสติมีปัญญามีสมาธินี่คือการปฏิบัติพอรู้แล้วว่าต้องปฏิบัตินั้เราก็ต้องมาปฏิบัติกันแนละ้วถ้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เต็มร้อยก็ต้องไม่ทำงานอย่างอื่นไม่ไปหาความสุขทางอื่นถ้ายังทำงานยังหาเงินหาทอง แล้วก็เอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆอยู่ก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติจริงสมาธิปัญญาได้เต็มร้อยถ้าไม่ได้ปฏิบัติเต็มร้อยก็ไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้เต็มที่คนที่เขาอยากจะหยุดความอยากเป็นร้อยเขาก็เลยออกบวชกันออกปฏิบัติกันไม่เอาแล้วชีวิตแบบเดิมๆไม่เอาแล้วเรื่องการหาเงินหาทองก็จะได้เอาเงินทองมาซื้อ ความสุขต่างๆมันเปนความสุขที่มีความทุกข์ตามมามีความหิวตามมาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ยังอยากได้พออยากแล้วก็ต้องไปหามาเพราะถ้าไม่ได้ก็ทุกข์อีกอดเหน็ดลำคาญใจหยุดหยุดการหาเงินหยุดการใช้เงินดีกว่า การหาความสุขแบบนั้นเป็นการหาความทุกข์เสียมากกว่ามาหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าผ้าหานตสาวกดีกว่ามารักษาสิงกันมานั่งสมาธิทําใจให้สงบกันพอจากสมาธิก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ตัดความอยากต่างๆพอไม่มีความอยากแล้วก็ต่อไปก็สบายไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สมาธิไม่ต้องใช้ปัญญา ก็ไม่มีอะไรจะมาทําให้ใจเราทุกข์ไม่มีอะไรทําให้ใจเราหิวเมื่อใจไม่หิวมันก็อิ่มมันก็มีแค่นี้ความหิวความอิ่มนี่มันอยู่คนละที่มันอยู่พร้อมกันไม่ได้ถ้ามันหิวมันก็ไม่อิ่มใช่ไหมถ้ามันอิ่มมันก็ไม่หิวอย่างวิธีที่จะทําใจให้อิ่มง่ายนิดเดียวก็อย่าให้มันหิวไม่ใช่เวลาหิวก็ไปหาอะไรมากินกินเสร็จแล้วมันอิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หิวแล้ว แต่ถ้าหยุดความหิวได้มันก็จะไม่มีมันมก็ไม่ต้องไปหาอะไรมากินมันอิ่มล้ะพอไม่มีพอมันไม่หิวมันก็อีกวิธีที่ใจไม่หิวก็ให้มันสงบให้มันนิ่งอย่าให้มันคิดพอคิดถึงขนมมันก็หิวขึ้นมาแล้วถ้าจะคิดก็คิดให้มันไม่หิวคิดถึงอุจจาระที่มันมาจากขนมที่เราอยากจะกินพอคิดถึงอุจจาระมันก็ไม่อยากจะกินละหายหิวละ อิ่มขึ้นมาให้เราคิดในมุมกลับกันนั่นจะทาให้ตัดความอยากได้ อ, อยากจะได้อะไรก็คิดถึงว่าเดี๋ยวมันก็เสื่อมนลเดี๋ยวมันก็ตายแล้วอยากจะได้แฟนเดี๋ยวได้มาปับ๊บเดี๋ยวเขาตายแล้วทำไงเดี๋ยวเขาทิ้งเราทำไงให้มองมุมกลับมุมเสียอย่าไปมองมองแต่มุมได้ถ้ามุมเห็นแต่มุมได้แล้วมันก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมา แต่ถ้ามันมองมุมเสียมากมันก็จะไม่อยากได้อย่าไปคิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเรานะมาอยู่เขาเดี๋ยวอาจจะเป็นกระสอบทรายให้เขาซ้อมก็ได้คินอย่างนี้แล้วก็จะทาให้ไม่อยากได้อลรพยายามมองมุมกลับพระเจ้าสอนให้มองมุมกลับคืออนิจจังทุกขังอัตตาเนี่ยคือมุมกลับที่เราไม่มองกันเราชอบมองนิจจังสุขขังอัตตากัน เห็นอะไก็นิดจังอยู่กับเราไปนานๆใช่ไหม ห, หนังเวลาตอนจบนี่พระเอกเจอนางเอกก็อยู่กันไปตลอดไม่มีวันจบไม่มีภาคภาคสองตามมาหรือไง้าไปดูภาคสองก็จะเริ่มเห็นการทะเลาะ ก, กันแล้วนะี่เดี๋ยวก็มีการหย่าร้างกันนะี่แย่งลูกแย่งสมบัติกันนะแบ่งสมบัติกันแบ่งลูกกันนะ มองมุมกลับบ้างว่าทุกอย่างไม่ไม่สุกหรอกทุกอย่างทุกทุกอย่างไม่ถาวรทุกอย่างไม่ทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราอันนี้จังทุกขังอนัตตาหรือถ้าจะมองด้านมุมกลับเห็นใครสวยงามก็มองมุมที่ไม่สวยบ้างมองดูตับไตไส้พุงเขาบ้างอย่าดูแต่หน้าตาของเขาดูเข้าไปไ ภ, ภายใต้ผิวหนังของหน้าตาเขามีอะไร หน้าตานี่ก็เป็นหนังบางๆหน้ากากครอบกะโหลกศีรษะดีๆนี่ลองถลกหน้ากากออกมาดูก็เหลือแต่กะโหลกศีรษะร่างกายก็พาออมาดูมีอะไรบ้างมีหัวใจมีปอดมีตับมีอะไรเต็มไปหมดหน้าดูไหม <c oughs> แล้วทำไมเป็นหลวงหลายเขานักอ่ะ <c oughs> ว่มองไม่เห็นกันไม่มองกันไม่มองมุมกลับกันเจ้ไปมองแต่ด้านดีด้านสวยด้านงามมันก็เลยทําให้เกิดความอยากได้ถ้าไปมองในด้านที่ไม่สวยไม่งามหน้ารังเกียจสกปรกอาหารนี่มันสกปรกไม่เวลาออกจากร่างกายเราแล้ว น, นะนี่คือปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามา สร้างกันแต่มันต้องคิดบ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆคิดจนแม่หลวงไม่ลืมตอนนี้เราลืมเนี่ยพอฟังตอนนี้ได้ได้ยีกแค่นี้เดี๋ยวพอออกไปก็ลืมหมดแล้วเดี๋ยวก็เห็นอะไรสวยงามกอ็อยากได้ละอยากมีละพอมองเห็นร่างกายแก่เจ็บตายก็ทุกข์ละ น, นี่คือการฟังเทศฟังธรรมจะได้ความรู้ ที่จะนำพาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติที่ถูกต้องละตันหาความอยากได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรมีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะอาะถามใครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้เลยแจกขอการถามด้วยค่ะในค้งที่อา้ารย์จะรีสติอะค่ะอ่านเจอกันเทพหลงพ่อเรื่องบบ นี้ในการฝึกเนี่ยก็เข้ารู้ร่างกายแต่บางทีลูกก็สงสัยว่าเราควรจะรู้ร่างกายที่เหมือนเดีเยวหรือว่าคนจะมีบริกรรมด้วยบางทีลูกก็ตั้งใจละล้าละลังก็ไม่แน่ใจว่าจะทํอย่างไรแต่ที่ฝึกเดี่ยวเนี่ยคือส่วนมากจะเป็นลักษณะรู้การเคลื่นนอนไหวกับลมลมทีนี้วันนี้ก็เลยจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าจะรู้ร่างกายไปอย่างเดียวหรือว่าคนจะมีทุกอย่าง วิธีไหนที่ทำให้เราไม่คิดทำให้ใจเราว่างถ้าเราเฝ้าดูร่างกายแล้วมันยังไปแวบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ <c oughs> ก็ใช้พุโทโธช่วยอีกชั้นหนึ่งก็ได้บางทีสติเรากาลังไม่พอที่จะอยู่ <c oughs> ที่ร่างกายใจมันยังแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ใช้พุโทโธก็ได้ <c oughs> ใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้โดยใช้พุโทโธกับการเฝ้าดูการกระทางานของเราก็ได้ ซึ่งปกติเวลาเราทางานเราก็ต้องดูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่ดูอย่างต่อเนื่องเราดูแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็กลับมาดูมันแต่ถ้าเราต้องการให้มีสติอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องให้มันอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ให้มันแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเรากาลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการตักข้าวการเอาข้าวเข้าปากการเคี้ยวการกลืน ให้มันอยู่ทุกขั้นตอนของการทำงานไม่ให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันอยู่ไม่ได้มันยังจะไปคิดก็เปลี่ยนเป็นใช้เป็นพุโทโธแทนไปก็ได้เพราะพุโทโธมันจะง่ายกว่าเราก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วเราก็กินไปโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเฝ้าดูทุกขั้นตอนก็ได้หรือจะทำทั้งสองอย่างควบคู่ไปก็ได้เพราะการคิดพุดโทโธนี้ไม่เป็นโทษเป็นภัย คิดพุทโธแล้วก็ดูการกําลังการทํางานของร่างกายไปควบคู่กันไปก็ได้จนกว่าเราสามารถที่จะหยุดพุทโธได้โดยให้ดูเฉยๆเพียงอย่างเดียวแล้วก็ดูเฉยๆไปเพียงอย่างเดียวบางคนก็ไม่ต้องดูเพียงแต่พุทโธไปทําอะไรก็พุทโธพุทโธไปก็ดูเหมือนกันเพียงแต่ว่าเอาพุทโธเป็นตัวหลักให้มีให้มีพุทโธอยู่เรื่อยๆ ถ้ามีพุทโธอยู่เรื่อยๆมันก็ไปคิดอะไรไม่ได้เป้าหมายของการเจริญสติก็เพื่อควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปลือยคิดได้เวลาถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดเราก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวเช่นเวลาเราทางานต้องคิดว่าจะต้องทาอะไรอย่างไรอันนั้นก็คิดกับเรื่องงานการที่เราทำอยู่แต่พอเราไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าปล่อยให้มันไปคิดเพ้อเจ้อคิด คิดไปแล้วเกิดอารมณ์อยากนู่นอยากอยากได้นู่นอยากมีนี่อยากไปนู่นอยากมานี่ความคิดเหล่านี้มันจะทำให้ใจเราเครียดใจเราทุกข์ขึ้นมาอย่าไปให้มันคิดให้มันว่างให้มันรู้เฉยๆใจเรามีสองส่วนมีส่วนที่คิดกับส่วนที่รู้เราหยุดความคิดแล้วก็จะเหลือส่วนที่รู้ให้รู้ว่ากำลังทําอะไรกำลังดูอะไรกำลังฟังอะไร แล้วดูแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันดีหรือไม่ดีให้ดูเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่างนี้ใจก็จะไม่วุ่นวายที่วุ่นวายเพราะเราไปคิดว่ามันดีไม่ดีพอไม่ดีก็วุ่นวายพอพอดีก็วุ่นวายเพราะอยากได้พยายามหยุดความคิดแล้วใจจะสบายแล้วเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจดูอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้ หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าหยาบอย่าไปบังคับอย่าไปบังคับลมปล่อยให้ลมเขาทำหน้าที่ของเขาเราเพียงต้องการอาศัยลมเป็นที่ผูกใจเหมือนเรือที่ต้องอาศัยสมอไว้ผูกเรือไม่ให้เรือลอยไปตามกระแสน้า เราก็ใช้ลมนี่เป็นตัวผูกใจไม่ให้ลอยไปตามกระแสของความคิดถ้าใจไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดเดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบเรานั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบและเวลาสงบก็อย่าให้มันไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปเห็นนิมิตอะไรต่างๆเห็นก็อย่าไปตามให้กลับมาให้ดึงสติกลับมาที่ตัวรู้ให้รู้เฉยๆให้อยู่กับความว่าง อยู่กับความสงบความนิ่งเพราะมันจะเป็นกำลังของจิตในการที่จะไปเจริญปัญญาต่อสู้กับตันหาความอยากถ้าเป็นสมาธิที่มีนิมิตต่างๆใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบใจจะไม่มีอุเบกขาจะไม่มีกำลังต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆเวลาออกจากสมาธิมาพออยากจะกินกาแฟาก็ไปเลยแต่ถ้า เป็นสมาธิที่มีอุเบกขานี้พออยากจะไปก็ใช้ปัญญาบอกว่าไปทำไมกินก็กระทอนกินก็ความสุขเดียวเดียวความสุขที่ปลายลิ้นแล้วก็ต้องกินอยู่เรื่อยเวลาไม่ได้กินก็จะทุกข์ขึ้นมาใหม่ทุอย่าไปกินมันดีกว่าอย่าไปติดมันดีกว่าพอไม่ติดมาแล้วต่อไปก็สบายไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนคิดอย่างนี้ด้วยปัญญาไรยังไงมีอะไรไหม ไม่มีทางบ้านมีเข้ามาหรือยัง อ, อยากจะฟังอ่างทางนู้นนี้นะช่วงนี้ของโยมนี่พอเริ่มกำหนดแล้วก็ง่วงทุกค่ะก็โดยปกตินักภาวนานี้ต้องรับประทานอาหารน้อยๆหน่อยรับประทานพออยู่ได้อย่าไปรับประทานให้มันอิ่มรับประทานเพื่อดับความหิวรับประทานวันละมื้อก็พอเหนือ่อไหม ไันยังยังยังน้อยก็อย่าไปรับประทานหลั ง, ลงเที่ยงวันไปแล้วเรารับประทานอาหารมากเกินไปมันเลยทำให้เราง่วงนอนถ้ามันง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินแนเดินจน ห, หายง่วงแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ถ้ายัางง่วงอยู่ก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่แต่วิธีที่ดีที่กำจัดความง่วงได้อย่างปิดทิ้งก็คือการอดอาหารเนี่ย ถ้าอดแล้มันจะหิวหิวแล้วมันไม่ง่วงแต่มันก็จะเครียดมันจะคิดแต่เรื่องของอาหารถ้าสติไม่มีกําลังพอเดียวมันก็ทนไม่ไหวเวลาเวลาอดอาหารนี่ต้องมีสติดีต้องคอยควบคุมไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องอาหารหรือถ้ามันคิดถึงอาหารก็ให้คิดถึงส่วนที่ไม่น่าดูของอาหารมันก็จะทําให้หายหิวหายอยากกินได้ อีกวิธีหนึ่งก็ไปอยู่ที่หน้ากลัวไปนั่งที่หน้ากลัวไปนั่งที่ป่าช้าไปที่คนเดียวไปอยู่ในปา่าคนเดียวนี่มันก็จะไม่ค่อยง่วงเพราะความหวาดระแวงความหวาดกลัวมันจะทำให้เราตื่นตัวขึ้นมามีพระบางรูปท่านเป็นนั่งที่หน้าผาเลยหน้าเหวเลยถ้าเกิดสบงบ ก, ก็หัวทิ่มลงเหวไปเลยถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ง่วง มันต้องมีความกลัวมาก็มากระตุ้นให้มันตื่นถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วมันสบายมันก็เลยไม่รู้สึกไม่มีความหวาดระแวงมันก็จะรู้สึกสบายแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลับดการหาความสุขทางใจนี้มันจะต้องสละความสุขทางร่างกายต้องยอมต้องยอมทุกข์ในทางร่างกายบ้างถึงจะได้ความสุขทางทางใจ ยาวความสุขทางร่างกายพร้อมๆกับทางใจนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมันไปคนละทางกันคนที่อยากจะได้ความสุขทางใจจึงต้องเสือศีลแปดกันยุติการหาความสุขทางร่างกายเรื่องอาหารก็ไม่รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วเรื่องแฟนก็ไม่ร่วมหลับนอนกันแล้วเรื่องบันเทิงมหัศลศพต่างๆก็ไม่เอาแล้ะเรื่องการเสริมความงามแต่งเนื้อแต่งตัว แต่งหน้าทาปากทำเเผ้าทำผมก็ไม่ต้องทำนะเรื่องการนอนบนฟูกนะั้นนะนอนนานๆก็ไม่เอานะนอนพอพักผ่อนหลับนอนให้ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนก็พอสี่ห้าชั่วโมงก็พอถ้านอนบนฟูกหนาะๆมันจะนอนนานเดินขึ้นมาแล้วมันยังไม่อยากลุกนะแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่พอมันร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมามันก็ไม่อยากจะนอนต่อมันไม่สบาย นี่คือมาตรการในการที่จะทำให้เรามีเวลาและมีกำลังที่จะมาะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ศินแป้นี้เป็นเหมือนอแม่แรงคอยดันคอยสนับสนุนให้เราได้ไปภาวนากันไปนั่งสมาธิกันถ้าเราไม่ได้ถือศินปนี่เดี๋ยวก็หนังก็มาชวนไปแล้วเดี๋ยวข่าวก็ชวนไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนจัดงานเลี้ยงก็ชวนไปแล้ว มันก็มีเรื่องให้ไปอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันไม่มีเวลามาอยู่วัดกันคนที่จะฝึกสมาธินี่ต้องไปอยู่ที่เงียบๆอยู่ที่บ้านมันมีของเยอะแยะไปหมดของยั่วยวนกวนใจเลยต้องไปปีกวิเวกันไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่วัดป่าวัดเขาที่ไม่มีสิ่งต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจแล้วจะทำให้การทำใจให้สงบนี่มันง่าย การเจริญสติมันง่ายไม่มีอะไรมาคอยดึงไปนี่คือมาตรการต่างๆในการหาความสุขทางใจต้องมีความรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับพอให้อยู่ให้ร่างกายอยู่ได้ก็พออย่าให้มันมากเกินไปแล้วก็ต้องปีกวิเวกต้องหาที่สงบสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปหา ความสุขทั้งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเติรนขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าให้ใจไปที่อื่นให้ใจอยู่ในปัจจุบันถ้าอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่พุโทโธใจมันก็จะอยู่ในปัจจุบันเพราะมันจะไปคิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้แล้วใจจะสงบก็ต้องสงบในในขณะที่อยู่ในปัจจุบัน เพราะในขณะปัจจุบันมันไม่ต้องคิดอะไรเวลามันไปอดีตมันแสดงว่ามันมันคิดแล้วคิดถึงอดีตแล้วไปอนาคตก็สแสดงว่าคิดถึงอนาคตก็แต่ถ้าอยู่ปัจจุบันก็เพียงแต่ดูเฉยๆรู้เฉยๆพยายามดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันการทาใจใสงบนี้จิตต้องอยู่ในปัจจุบันสิ่งนี้จะทำให้จิตยู่ในปัจจุบันก็คือสติ ใช้สติดึงใจไว้ผูกไว้กับร่างกายก็ได้ผูกไว้กับพุโทโธก็ได้ผูกไว้กับลมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วแต่ว่าเวลาไหนคนจะใช้อะไรผูกเวลาทำอะไรนี่ดูลมหายใจมันยากเวลาดูลมหายใจนี่ต้องเวลานั่งเฉยๆเพราะไม่มีอะไรให้ดูละร่างกายไม่ได้ทำอะไรก็เหลือแต่ลมหายใจที่ยังเข้ายังหายใจเข้าหายใจออกก็ดูลมหายใจไป ถ้าเราไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ลมก็ใช้คุโทโธไปอย่างเดียวก็ได้<ม>แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอ<ม>สงบแล้วก็จะมีความสุข<ม>แล้วก็จะสามารถที่จะต่อสู้กับความอยากได้<ม>าไงคถามท้งอาท้งนี้มาทางหลังว่าการขอธรามกมการโหติกรรมการะคขังเดียวไี่ถามเลย ก็อยู่ที่คู่กรณีของเราก็จะเอาโหสิหรือไม่ถ้าโหสิกันแล้วก็ถือว่าขาดกันวเวลาคนเข้ามาขอโหสิเราเราโหสิให้เขาเราขาดกันไหมละ่ะนะสมมติเราไป<อ>าด่าคุณ เ, <อ>เราไปทําร้ายคุณแล้วเรามาขอโทษคุณนี่ถ้าคุณให้อโหสิแล้วมันก็ขาดไหมละ่ะถ้าคุณไม่ใหไม่โหสิมันก็ยังไม่ขาดถ้าคุณยังจองเวรจองกรรมอยู่ยังไม่ให้อภัยมันก็ยังไม่ขาด แต่ถ้าคู่กรณีเข้าให้อภัยแล้วมันก็ขาดทีเรามีคู่กรณีเยอะแล้วคนเราจะไปรู้ว่าคนไหนเป็นคู่กรณีเราเจ้ากรรมในเวเรามันในอดีตชาติไม่รู้มีกันกี่คู่กี่คนเนี่ยในอดีตชาติาเหรอคะอ่ก็ก็ต้องยอมรับวิบากไปดีที่สุดสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมมันไว้อันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เราจะไปรู้ว่าคนไหนเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ได้ตอนนี้ยังไม่เจอเขาเนะี่ยเวลาเราไปเจอคนที่ไม่ถูกขี้หน้ากันเนะีบอกเจอเจ้ากรรมนายเวรแล้วอะ <c oughs> ใช่ไหมสังเกตดูคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่ทำไมพอเจอกันปั๊บนี่มันไม่ถูกขี้หน้าเลยนั่นแหละให้รู้วาารร่าเจ้ากรรมเจอเจ้ากรรมนายเวรแล้วนะถ้าอยากจะให้มันหมดเวรหมดกรรมก็ยอมเขาอย่าไป อย่าไปเถียงอย่าไปสู้กับเขาเอาใจเขาแผ่เมตตาให้เขาซื้อข น, นมให้เขากินอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เขาก็จะรักเราขึ้นมาเองชอบเราขึ้นมาเองหรือทาไม่ได้ก็เฉยๆไปไเขาทำอะไรก็อย่าไปตอบโต้อย่าไปสร้างเวรใหม่สร้างกรรมใหม่เดี๋ยวเขาได้ทำสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วเขาก็จะเลิกทาตอ่อ อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ไ้่เดี๋ยวมันมีเจ้ากรรมนายเวรใหม่โผล่ไปมาเรื่อยๆเราเป็นคนไปสร้างมันขึ้นมาเองไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาเองถ้าเราไม่ไปด่าเขาเขาจะมาด่าเราแล้วใช่แต่เราชอบด่าคนนั้นว่าคนนี้ชอบตำหนิคนนั้นชอบวิพาก <c oughs> วิจารคนนั้นคนนี้แต่ไม่ชอบวิพากวิจารตัวเอง <c oughs> วันก่อนเขาถ่ายทอดสดมิจฉาบาณ ลูกศิษย์มันเดินใส่รองเท้าช่วยถ่ายบาสไอคนที่ดูมันก็วิาพากษ์วิจารณ์อ้าวทำไมไม่ถอดรองเท้าโอ้ยมันจะทําไมคนไม่มาเดินบ้างล่ะใช่ไหมนเนี่ยเชอบไปว่าเขาเดี๋ยวก็นอนก็ว่ากลับงั้นทําอะไรให้กับใครมันก็จะกลับมาหาเราให้ความสุขกับเขาเขาก็จะให้ความสุขกับเราให้ความทุกข์กับเข า, ขาเขาก็จะให้ความทุกข์กับเราพระพุทธเจ้าจึงสอนให้แผ่เมตตาเย การแผ่เมตตาก็คือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นพูดให้เขามีความสุขไม่ใช่พูดให้เขามีความทุกข์ให้ของเขาให้ของเขาแล้วเขาก็มีความสุขสคสองเนี่ยให้ส่งความสุขกันอย่าไปสคอทอส่งความทุกข์ให้กันอาจจะลองถามปัญหาทางบ้านสันหน่อยไหม ขอแม่ตาพระอาจารย์อธิบายการอยู่กับปัญหาจึงมันไม่เกิดปัญหาค่ะโดเฉพาะการที่เราต้องอยู่กับคนที่ผิดสิข้อสามะค่ะคือปัญหาอยู่ที่เราเราไปอยากให้เขาไม่ผิดสิงข้อสามมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ผิดสิงข้อสามมันก็ไม่เป็นปัญหา ไม่คนอื่นฮะไม่เราเห็นมีปัญหาเลยคนอื่นเขาไม่มีศินข้อสาม้วไม่ เ, เดือนร้อนเลยทำามันเรามีปัญหากับคนนี้พอเราไปอยา้เขาไม่ผิดศีนข้อสามถ้าเราไม่อยากจะมีปัญหาก็อย่าไปอยากก็อยากจะผิดก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาได้หรือเปล่าใช่ไหมเราห้ามใจเราดีกว่ายอมรับว่าเราไปซื้อของไม่ดีมาไปเลือกคนไม่ดีมา ก็ต้องอยู่ไปเลยจนกว่าจะแยกทางกันไปเขาอยากจะผิดศีลข้อสามก็เรื่องของเขาแต่วันก่อนมีโยมคนหนึ่งเข้ามาขอบใจเราบอกว่าเปรียบเทียบคนเหมือนผลไม้นี่ถูกใจเลยก่อนเขาเป็นส้มอยากจะไป้ก็เป็นกล้วยมันก็ทุกข์กันสิเออเขาเป็นกล้วยก็ปล่อยก็เป็นกล้วยไปอย่าไปย้ายก็เป็นส้มเขาเขาชอบผิดจริงข้อสามก็อย่าไปย้ายเขาไม่ผิด เราไม่เปลี่ยนเขาไม่ได้เรามาเปลี่ยนเราดีกว่าเราอย่าไปอยากเขาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเองไม่ใช่เกิดจากการที่เขาผิดศีงข้อสามไม่เกี่ยวกับเราอะคนอื่นจะผิดศีลข้อไหนไม่ไม่เกี่ยวกับเรา่หราหน่อยมันมาเกี่ยวตอนที่เราไปอยากให้เขาไม่ผิดเหมือนกับร่างกายนี่คือเมื่อกี้เทศได้ฟังมันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่มันไม่มีความเสียหายอะไร มันมาเสียหายต้นที่เราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้มันมันก็เลยเกิดความเกิดปัญหาขึ้นมาในใจเราปัญหาของพวกเราทั้งหมดนี่เกิดจากความอยากของเรานั่นเองถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่มีปัญหากับใครใช่ไหมคนที่เราไม่มีปัญหาจะเป็นร้อยเป็นพันทำ ไ, ไมไม่ไม่มีปัญหาเลยเพราะเราไม่ไปยุ่ ง, ขงเขาใช่ไหมเขาจะดีเขาจะชั่วก็เรื่องของเขา แต่พอคนใกล้ตัวเรานี่ไม่ได้จะต้องเป็นพระขึ้นมาอย่างเดียวพะเป็นพระเขาก็ไปบวชแล้วเขาไม่มาอยู่กับเราเนาะอ้าวว่าไงต่อไปเป็นคำถามทางเฟซเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะคำถามจามกคุณธันนรี เวลานั่งสมาธิไปสักพักมีความรู้สึกว่าตัวลอยได้นึกดีใจขยับขึ้นขึ้นลงๆสนุกไปเลยค่ะพอออกจากสมาธิแล้วมีความสุขสนุกมากเลยค่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกิเลส ข, ข, ข, ของเรา้ยกิเลสของเราพอได้อะไรที่เราถูกใจเราก็ดีใจแต่เราไม่รู้ว่าผลที่เราได้นี้มันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเรา เหือนกับการไปเที่ยวกับการไปเรียนหนังสือเนี่ยมันมีประโยชน์ต่างกันไปเที่ยวมันก็สนุกสนานเฮฮาและมันไม่มีประโยชน์เหมือนกับการไปเรียนหนังสือการไปเรียนหนังสือได้ความรู้การนั่งสมาธินี้ถ้าไปเห็นนู่นเห็นนี่ไปมีความสามารถพิเศษอะไรต่างๆนี่มันสู้การนั่งให้ใจสงบเป็นอุเบกขาไม่ได้ เพราะว่าการที่มีความสามารถพิเศษนี้จะไม่มีอุเบกขาไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆเวลาเห็นอะไรก็ยังจะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่พอไม่ได้ก็จะเสียใจแต่ถ้ามีสมาธิแบบอุเบกขานี้พอไปเห็นอะไรก็ถ้าอยากได้ก็หยุดมันได้ห้ามมันได้ใั้มันต่างกนนันอย่าไปดีใจกับสมาธิแบบนี้ อย่าไปดีใจกับความสามารถพิเศษบางคนก็ระลึกอดีตได้บางคนก็อ่านใจคนนั้นคนนี้ได้บางคนก็ทำนายทายทักอนาคตได้ของพวกนี้มันไม่ได้มาทำให้เรามีกำลังที่จะสู้กับกิเลสตัญหาสู้เอาสมาธิที่นิ่งที่สงบที่เป็นอุเบกขาดีกว่าใจอิ่มใจสบายใจไม่หิวกับอะไร อันนี้จะทำให้เราเวลาเกิดความอยากเราก็จะได้หยุดมันได้คำถามจากคุณปริยาการถือศีลแปดคือบวชชีโกนหัวแล้วปฏิบัติจี่ทิวดัดแล้วเปิดทีวีดูมันผิดไหมคะความจริงก็ไม่ควรอะถ้าเป็นนักบวชแล้วควรที่จะตัดาการรับรู้ทางรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกนิ้งกายแต่บางคนเขาก็อ้างว่าดู ดูข่าวดูอะไรซึงแมาถึงแม้มจะเป็นข่าวมันก็ยังทำให้ใจเราขุ่นมัวได้งดงนั้นผู้ที่ต้องการที่จะสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกนิ้กนการจริงๆนี่ต้องไม่รับรู้อะไรทางโลกเลยไม่รับรู้อะไรทางตะรูปเสียงกลิ่นรสเลยเช่น<ม>สมัยที่ไปอยู่กับหลวงตานี่ท่านห้ามมดหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สมัยนี้ถ้า ท่านอยู่ก็คงจะต้องห้ามมือถือละคำถามที่สองค่ะพอตั้งใจอดอาหารจริงๆแล้วใจมันสั่นต้องทํายังไงคะก็ต้องพยายามเข้าสมาธิให้ได้แล้วมันก็จะหายสั่นถ้าอดอาหารเราจะปล่อยให้ใจเอเพ่นพ่านไม่ได้จะต้องมีสติคุมอย่างเหมือนกับคุมนักโทษเลยไม่ให้ค่าจากสายตาไม่ให้มันแวบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เลย เราพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆพอนั่งสมาธิจิตสงบแล้วความหิวจะหายไปความสั่นจะหายไปแล้วพอออกมาก็คุมด้วยสติไปแล้วพอสติไม่ไหวมันจะสั่นอีกก็กลับไปนั่งใหม่ต้องนั่งบ่อยๆแต่ลราอนหานี่มันจะบังคับให้เรานั่งบ่อยๆมันก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ทำให้เราขยันนั่งกันธรรมดาเราไม่ชอบนั่งสมาธิกันแต่พอมีไฟลนก้นมันก็เลยต้องนั่งกัน มันจะได้หนีความความขิวความสั่นของใจนี่ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เราได้นั่งสมาธิกันมากๆก็คือการอดอาหารนี่คำถามจากคุณวิชยัยเวลานั่งสมาธิก่อนนอนหลังจากการทางานในแต่ละวันง่วงมากและหลับไปขณะนั่งถ้าผมนอนไปเลยแล้วตื่นมานั่งสมาธิจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกไหมครับน่าจะดีกว่าถ้านั่งแ้ว ง, ง่วงก็อย่าไปนั่งในเสียเวลา สูนอนให้มันอิ่มให้พอแล้วตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดแล้วก็นั่งตอนที่ตื่นขึ้นมาจะดีกว่าคำถามจะคุณวันนิสาท่องพุทโธไว้ในใจบางบางครั้งลืมคิดได้ก็ท่องใหม่จะได้บุญด้วยไหมคะก็นั่นแหละทุกครั้งที่เราท่องก็จะได้บุญทุกครั้งที่เราเผลอก็จะไม่ได้เหมือนกับเราเ อ, อไปในสถานที่ที่มี ของที่เราเก็บมาขายได้เช่นผลไม้ที่หลนตามต้นไม้ถ้าเราเก็บอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ผลไม้เยอะเอาไปขายได้เยอะถ้าเราเก็บน้อยเราก็จะได้น้อยสติก็เหมือนเหมือนกับเป็นเงินทองที่เราเก็บกันเนี่ยเป็นบุญที่เราเก็บกันถ้ามีสติมากก็จะได้บุญมากมีสติน้อยก็จะได้บุญน้อยบุญก็คือความสงบความสุขใจนี่แหละคาถามจากคุณณัวัตรผมเจอกิเลสรุมร้า เปรียบได้เหมือนกับการเคี้ยวอาหารอร่อยอยู่ในปากแล้วไม่อยากจะคายแต่เรารู้ว่านี่คือกิเลส ต, ตัวร้ายกาจจะใช้ข้อทําอะไรที่ทำให้เราได้สติตัดใจจากกิเลสได้ครับก็ต้องเห็นความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสเนี่ยถ้ายังไม่เห็นความทุกข์อยู่มันก็ยังจะตัดไม่ได้ต้องพยายามดูว่าเวลาเกิดกิเลสแล้วใจเราเป็นยังไงใจเราสบายหรือใจเราเครียดถ้าเรารู้ว่าอ๋อใจเราเครียดก็กิเลส อย่างที่เมื่อกี้ญาติโยมท่านหนึ่งถามเรื่องอยากให้คนอื่นคนที่อยู่กับเราไม่ผิดศีนข้อสามพอเราอยากขึ้นมาใจเราก็เครียดขึ้นมา<ช>แต่พอเราเลิอกอยากปั๊บนี่เราก็จะหายเครียดเราก็จะเห็นว่าอยากไปอยากเลย<ช>อยากไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อยู่ดี<ช>แล้วเราก็เครียดไปเปล่าๆทุกไปเปล่าๆ<ช>ต้องเห็นทุกข์มันถึงยละกิเลสได้ คำถามจะคุณนิกกี้ปกติลูกนอนสี่ทุ่มครึ่งจะตื่นตีสองครึ่งตื่นมาทำสมาธิพอเลิกจะทำสมาธิส่วนใหญ่นอนแล้วจะตื่นอีกประมาณทุกๆหนึ่งชั่วโมงเพราะตื่นเองบางครั้งเลยนอนไม่ถึงสี่ชั่วโมงต่อคืนจึงอยากถามว่าปกติต้องตื่นเวลาไหนทำอย่างไรจึงจะเหมาะเจ้าคะก็แล้วแต่ที่เราจะจัดการเวลาของเราเองคือร่างกายมันจะมีความจำเป็นจะต้องนอนกี่ชั่วโมงมันจะบอกเอง ถ้านอนไม่พอมันก็จะง่วงเงียมันก็จะไม่สบายเพระนั้นเราก็นอนตามที่เราตามความต้องการของร่างกายจะนอนช่วงไหนเวลาไหนไมันก็แล้วแต่เราจะกําหนดมันจะนอนตอนหัวค่ําแล้วตื่นขึ้นมาตอนเดึกมาภาวนาก็ได้หรือจะนอนตอนเดึกแล้วมันแล้วแต่เราที่เราจะกําหนดเวลาไว้สําหรับพระนี่พทธเจ้าให้กําหนดให้ ให้พักในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองช่วงหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มก็ให้เดินจย ก, กมนั่งสมาธิพอถึงสี่ทุ่มถึงตีสองก็ให้พักพอพอตีสองตื่นขึ้นมาก็ให้เดินจง ก, กมนั่งสมาธิไปจนถึงหกโมงเช้าแล้วก็ออกบิณฑบาตเราก็ปรับเวลาได้ตามตามจังหวะตามเหตุการณ์ของเรา <c oughs> เพราบางเราอาจจะมีธุระป่าปังมีกิจอะไรอย่างอื่นที่ทาให้เราไม่สามารถที่จะ ทำตามเวลาที่พูะเจ้าทรงวางไว้ก็เราก็ใช้ปรับมาได้คือยังไงยงไนร่างกายก็ลองพักอย่างน้อยสี่ห้าชั่วโมงเอาเวลาเหรืองั้นก็เอามาภาวนามาเดินจงกรมนั่งสมาธิคำถามจากคุณแอนขนาดปฏิบัติสมาธิบริกรรมพุทโธโยมต้องใช้โยมต้องให้ติดรู้อยู่กับคำบริกรรมหรือรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกคะเวลาทาอะไรอยู่นี่เลยดูลมมันจะยากเนะี่ย ก็ให้อยู่กับคำบริกรรมเพยงอย่างเดียวก็จะง่ายกว่าเขาบอกว่าขนาดปฏิบัติสมาธิค่ะเอาเวลานั่งสมาธิก็ได้ทั้งสองอย่างจะดูลมอย่างเดียวก็ได้จะใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้ทั้งสองอย่างรวมกันก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทโธหายใจออกก็ว่าพุทโธหรือหายใจเข้าว่าพุทหายใจออ ก, กว่าโธอันนี้แล้วแต่ความถดัดความพอพอใจของเรา อันไหนทำแล้วทำให้ใจเราสงบแล้วก็เอาอันนั้นก็แล้วกันคำถามจากคุณมัปรางถ้าวันเกิดไม่สะดวกไปทำบุญที่วัดจะสามารถทำที่ไหนได้บ้างทำผ่านมูลนิธิอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะได้ทำที่ไหนก็ได้ท่านสอนว่าให้ทากับผ้าหลานในบ้านเราก่อนทำกับพ่อกับแม่เราก่อนบ้างพ่อแม่ท่านเลี้ยงดูเรามามีบุญมีคุณกับเรามากวันเกิดของเรานั้นเราน่าจะทาบุญกับพ่อแม่ก่อน เพราะ่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ท่านอุษาให้กําเนิดกับเรามาเลี้ยงดูเรามาเจกนกระทั่งเราโตเป็น เ, เป็นเป็นคนอยู่ในขณะนี้ได้ก็เพราะความเมตตาการุณาของพ่อแม่ของเราเองเราไม่ควรมองข้ามพระอาหารหันต์ในบ้านของเราพระพุทธเจ้าบอกพ่อแม่ของเรานี่เป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของลูกๆขอให้เราถ้าเราอยากจะทําบุญกับพระอาหารหันต์อยากจะได้บุญมา ก, มากๆก็ทําบุญกับพ่อแม่ของเราก่อน แล้วค่อยออกไปทำที่ข้างนอกบ้านข้างฐานจะคุณพัชการที่คนเรามาเกิดกับมาเกิดกับพ่อแม่เดียวกันมีความเกี่ยวข้องกันในภพชาติก่อนหรือไม่คะอาจจะมีก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้มันมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่จังหวะมันไม่มีอะไรแน่นอนตายตัว ถ้าไม่มีเกี่ยวข้องกันมาพบชาติก่อนจะมาเกิดเป็นญาติกันในชาตินี้ได้ไหมคะได้ก็อย่างที่บอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีความเกี่ยวข้องกั น, นะ่ะมาแล้วก็มาเกิดแล้วก็มาเจอกันการมาเกิดในครอบครัวนี้ก็เหมือนกับการที่เราไปขึ้นรถรถเมย์เรายืนอยู่รอที่ป้ายพอรถเมย์มาเราก็ขึ้นไปพอเราขึ้นไปรถเมย์คนที่อยู่บนรถเมย์ก็เป็นเหมือนกับเป็นญาติของเราลนะเวลาเราเกิดมาปั๊บคนที่อยู่ในครอบครัวเราก็เป็นญาติของเราไป แล้วเดี๋ยวเขาก็ลงเดี๋ยวไปถึงป้ายเขาเขาก็ลงไปแต่ละคนสองคนแล้วเดี๋ยวถึงป้ายเราเราก็ลงแล้วเดี๋ยวเราก็รอรถเมย์คันใหม่พอรถเมย์คันใหม่ขึ้นมาก็ไปเจอญาติพี่น้องชุดใหม่กลุ่มใหม่มันก็เลยไม่รู้จะไปบอกว่ามันมันเคยเป็นกันมาก่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะเราขึ้นรถกันลงกันอยู่เรื่อยๆมันก็ต้องมีโอกาสเจอกันบ้างนะเพราะเรามาเกิดอยู่เรื่อยๆซ้ํำกันไปซ้ํากันมา ใกล้ดูอย่างนี้กันเวลาเราเจอใครแล้วเราชอบกันน่แสดงว่าเราเคยร่วมบุญกันมาเวลาเราเจอใครแล้วไม่ชอบขี้หน้ากันแสดงว่าเราไม่ได้ร่วมบุญกันมา <c oughs> ถ้าเราเฉยๆก็แสดงว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่มีอะไรกันมาถ้าชอบกันก็แสดงว่าเคยเคยร่วมบุญกันมาถ้าเกลียดกันก็แสดงว่าเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาแต่ถ้าเฉยๆก็แสดงว่ายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ก็มีสามความรู้สึกสามอย่างเนยเขาถามถึงถึงคนที่ไม่ได้เป็นญาติด้วยค่ะพระอาจารย์ว่าเหตุเหตุที่ได้มาพบเจอกันนี้เป็นจากอะไรค่ะก็เหมือนกันอย่างที่บอกเนี่ยเราเรายืนรอรถรอรถเมย์พอรถเมย์ขึ้นมามเขาอยู่บนรถเมย์แล้วเราขึ้นไปแล้วก็ไปเจอเขานีม่มีส่งก็ความมาจากแคนาดาว่าภาพเสียงชัดเจนค่ะพระอาจารย์<ม>ขออนุญาตโรด โบอยากจะตัดหรือยังตัดเลก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอพักตัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นก็จะตัดหลังจากชั่วโมงครึ่งไปแล้วเดี๋ยวอาญายมใครอยากจะกลับก็กลับได้ตัดเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะตามสบายนะจะอยู่ฝั่งแสดงว่าต้องอดข้าวแล้วอย่างน้อยต้องถือศีลแปดนะ่ะ อย่าไปกินข้าวเย็นเพราะว่าโยมนั่งแลง้วง่วงโยมก็ลุกขึ้นมาเดินเออเดินแล้วง่วงโยมก็ลงไปไดนั่ง<อ>เปลี่ยนอียาปวดเ่แอแล้วก็กําหนดแสงสว่างบ้างอะไรบ้างบ<อ>ครั้งก็ง่วงมาประมาณสิบลมหายใจเ<อ>ก็จะ ง, ง่วงบางทีขับรถอยู่โยมก็ดูลมหายใจขับไปดูเข้าดูออกถ้าสิบลมหายใจโยมก็เริ่มจะเอง่วงเสี๋ยวค่ะนั่นแหละก็ต้องลดการรับประทานอาหารลงนะ เราประทานพอให้มันอยู่ได้ก็พอไม่ต้องให้มันอิ่มก็ดับความหิวได้ก็หยุดแล้วกินไปสักพอรู้สึกว่าใจใจอิ่มก็หยุดกินแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปแทนแล้วมันก็จะรู้สึกอิ่มขึ้นมาต้องฝืนใจต้องบังคับใจเรื่องกิ น, นมันชอบ <c oughs> <c oughs> กินแล้วมันเบรกไม่อยู่แต่มันอร่อยก็อยากเห็นหน้าตามันก็คายมันออกมาเนีย เวลามันอยู่ในาปามันอร่อยแย่หน้าตามันเป็นยังไงขอดูหน้าตามันหน่อยกนละายออกมาแล้วก็ตกัดก็ไปกินใหม่แล้วมันก็จะได้ไม่อยากกินจะมันจะกินตามความจําเป็นกินตามความต้องการของร่างกายอ่ามีคําถามต่อไหมมีค่ะอาจารย์อต่อไปคําถามทาง facebook live น, นะคะคําถามจากคุณมะขิน เวลาปฏิบัติธรรมติดวาจาจะทำให้รู้ลมชัดเจนแต่ในชีวิตประจำวันเราต้องพูดคุยบ้างเวลาพูดคุยเราจะไม่สามารถรู้ลมได้จะต้องทำอย่างไรคะเอาจิตไปเกาะกับอะไรคะก็เกาะกับเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ถ้าคุยกันก็ให้มีสติอยู่กับเรื่องของการคุยกันคุยเฉพาะเท่าที่จาเป็นอย่าคุยด้วยความสนุกสนานเฮฮา คุยด้วยด้วยเห็นด้วยผลพอหมดธุระคุยก็หยุดคุยแล้วก็กลับมาดูลมต่อไปท่านถามเจุาคุณเด็ดผมอยากดูแลพ่อแม่ทั้งทางโลกและทางธรรมอยากให้ท่านมีใจมาทางธรรมแต่ว่าทางพ่อเขาจะมีความเห็นขัดแย้งกับเราควรจะวางใจใช้ธรรมข้อไหนมาปฏิบัติดีครับเพื่อไม่ให้ใจเศร้าหมองก็ใจของใครนี่มันก็เป็นของเขา ยากที่ต่อการที่เราจะไปดึงเขาให้ไปในทางที่เราต้องการให้เขาไปได้เราทำได้เพียงแต่บอกทางเขาเท่านั้นเองถ้าเขาไม่ยินดีไปก็เราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ก็ต้องปล่อยไปตามาตามความพอใจของเขาถ้าเขาพอใจจะไปทางธรรมเขาก็ไปเองถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ไม่ไปแต่อย่างน้อยเราก็ทำหน้าที่ของเราเราเอาธรรมะมาให้เขา เช่นเอาหนังสือหนังสือมาวางไว้ที่บ้านถ้าก็สนใจอยากจะอ่านธรรมะก็ดีถ้าก็ไม่สนใจอยากจะอ่านการเมืองก็เรื่องของเขาเรื่องของใจนี่มันใจใครใจมันไปบังคับกันไม่ได้ยิ่งไปบังคับยิ่งต่อต้านใหญ่คำถามจากคุณสามารถการที่เราเลือกที่จะไม่มีบุตรเพื่อที่ปฏิบัติธรรมถือเป็นบาปไหมครับเพราะแม่บ้านอยากมีบุตร มันจะบาปตรงไหนบาปมันมีแค่ห้าข้อเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ไปพูดผิดตระเวณีไม่ได้โกหกไม่ได้เด็ดชราก็มันก็ไม่บาป ก, การไม่มีลูกนี่แสดงว่าการมีปัญญาเพราะว่าเห็นว่าการมีลูกนี่มันเป็นทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าพอได้ยินว่ามีลูกก็ท่านก็บอกว่าลาหุนลาหุนก็แปลว่าบ่วงก็แปลว่าทุกข์มีบ่วงแล้วก็ต้องก็ต้องทุกข์กับกับลูกแล้ว ไปไหนไปทำอะไรอย่างอื่นก็ทำไม่ได้ละก็ต้องคอยเลี้ยงดูลูกให้โตให้เป็นตัวของเขาเองก่อนเพราะงั้นการไม่มีลูกเนี่ยเป็นเป็นผลจากการมีปัญญาคำ ถ, ถามจากคุณสวนคุณท่านําเงินเล็กน้อยถวายพระเพื่อต้องการให้พระได้รับความสะดวกเช่นเป็นค่ายานภาหนะพระรับปัจจัยอาบัติไหมคะเราบาปไหมคะ ถ, ถ้าฝากให้กับลูกศิษย์นี่ไม่บาปแต่ให้กำมือให้ท่านพกพาไปใช่นี้บาปเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้พระมีพกพาเงินทองติดตัวเพราะมันจะเป็นภัยกับพระแล้วมันก็จะเป็นตัวทำให้เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาง่ายพอมีเงินติดตัวนี่พอเห็นอะไรอยากจะได้ก็ซื้อเลยเห็นบุหรี่อยากจะสูบ ก, ก็ซื้อมาสูบเลยแต่ถ้ามันไม่มีติดตัวมันก็ยังซื้อไม่ได้ แล้วเวลาอยากจะซื้อให้ลูกศิษย์ซื้อถ้าลูกศิษย์มีศีลมีธรรมก็ก็บอกว่าของนี้ไม่ดีไม่น่าซื้อ้ากอาจจะไม่ซื้อให้ก็ได้พระพาทธเจ้าก็เลยบอกไม่ให้พระพกเงินไว้เพราะมันเป็นโทษกับพระมากกว่าเป็นคุณแต่เงินทองก็มีประโยชน์ในบางกรณีเช่นขาดแคลนอะไรบางทีไปบิณทบาทไม่มีอาหารก็อาจจะให้ลูกศิษย์ไปซื้ออาหารมาให้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปบินทบาทได้ ก็อาจจะให้ลูกศิษย์นี่ไปซื้ออาหารมาให้รับประทานอันนี้มันก็เป็นประโยชน์ได้คือเงินทองที่ญาดโยนถวายให้พระนี้ท่านบอกว่าให้ให้เป็นสัมมาณะบริโภคคือให้เป็นการบริโภคที่เหมาะสมกับเพศของพระก็คือถ้าขาดแคลนปัจจัยสีขาดแคลนจีวรไปซื้อจีวรมาใส่ขาดแคลนอาหารไปซื้ออาหารขาดแคลนยารักษาโรค อย่างเงี้ยก็ดีใช้เป็นแบบนี้ดีแต่ถ้าใช้เอาออกไปใช้ไปเที่ยวอยากจะไปที่นู่นที่นี่ก็ไปอยากจะซื้อของที่ไม่จำเป็นของเล่นต่างๆซื้อมือถือได้มาเครื่องหนึ่งแล้วพอมีรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะได้รุ่นใหม่ก็เปลี่ยนมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างนงี้มันก็เหมือนกับคาราวาส์มันไม่ไม่ใช่เป็นส ม, มณะแล้วส ม, มณะนี่ต้องต้องสำรวม ต้องสมถะเรียบง่ายจะใช้อะไรจะต้องมีเหตุมีผลจริงๆถึ ง, จ, ง, จ, งจะใช้ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้มอบเงินให้กับพระโดยตรงสมมติวพระก็อยากจะข้ารถก็พาเข้าไปขึ้นรถเลยแล้วตีตัต๋วให้เขาไปพราบางทีก็เจอพระที่ไม่ค่อยที่จะสัจจะ <Yeah. S 1> ก็อาจจะใช้ข้ออ้างวา่าเดินทางไปนู่นมานี่แต่จจริงแล้วไม่อยากไม่ได้ไปแต่เพียงอยากจะได้เงิน เพื่นที่จะไปซื้อบุหรี่มั่งซื้ออะไรต่างๆจะบอกตรงๆว่าจะไปซื้อบุหรี่ก็รู้เดี๋ยวโยมไม่ไม่ถวายใช่ไหมแต่ถ้าบอกยังต้องเดินทางไปนู่นมานี่อาญาโยมก็สงสารก็ถวายให้นถ้าก็อยากจะได้อะไรซื้อให้เขาซื้อของให้เขาไปเลยอย่าให้เงินโดยตรงคําถามที่สองค่ะเราใส่บาทแล้วแผ่กุศลให้สุนัขที่อยู่ใกล้ๆเราสุนัขจะได้บุญไหมคะ อ๋อบุญนี้แผ่ได้เฉพาะผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่อยู่ถ้าเราอยากใช้สุนักได้บุญก็เอาข้าวมันกินคำถามจากคุณเพิ่มพงในอริยมตรตนีองค์แปดจากที่ฟังเทศจากรอาจารย์เราต้องเริ่มที่สัมมาสติสัมมาสมาธิก่อนใช่ไหมครับมันก็เป็นเหมือนหัวห อ, อกอ่ะการที่เราจะทำาอะ ไ, ได้นี่เราต้องมีความเห็นก่อนนะถ้าเราเห็นว่าการทำบาปนี่ มีโทษเราก็จะได้ไม่ทำถ้าเราเห็นว่าการทําบุญมีคุณเราก็จะทําถ้าเราไม่รู้ว่าเราทําบุญไปเพื่ออะไรเราก็ไม่อยากจะทํากันคนสมัยนี้บางทีทําบุญแล้วก็ไม่รู้ว่าได้อะไรเพราะไม่มีใครมาอธิบายว่าบุญคืออะไรกันบางคนก็คิดว่าเป็นสวรรค์วิมานลอยอยู่ในอวกาศที่ไหนสักแห่งหนึ่งอันนั้นมันก็เลยทําให้ไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่อยากจะทํากัน แต่ถ้ามีคนมาที่บายว่าบุญก็คือความสุขใจนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกบาปก็คือความทุกข์ใจถ้าอยากจะมีความสุขใจก็ทำบุญเชน่นเอาข้าวให้สุนัขให้มันแล้วเราก็มีความสุขใจแต่ถ้าไปเอาไม้ไปตีมันเราก็จะมีความทุกข์ใจให้คิดอย่างนี้นี่คือสัมมาทิฏฐิการจะทาอะไรได้นี่ต้องมีความเห็นก่อนตอนนี้พวกเรามีความเห็นผิดกันเยอะมีมิจฉาทิฏฐิ เห็นว่าความสุขอยู่ที่การมีเงินมีทองเราเลยต้องมาฟังเทศฟังธรรมแล้วจะได้ยินได้ฟังว่าการมีเงินมีทองนี้ถึงมันจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขบางๆที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนยาขมเคลือบน้ําตาลเราจะมองไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไปอยากได้เงินทองอยากมีเงินทองพอเลวลาเรามีแล้วเราก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับการมาหาเพิ่มเติม เวลาหาไม่ได้ก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทองได้เราจะสบายเราจะไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องการหาเงินหาทองไม่ต้องวุ่นวายกับการรักษาเงินทองอันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องใช่ถ้าเรารู้ว่าการหาเงินไม่ดีการไปหาความสงบดีกว่าเราก็จะได้เปลี่ยนวิธีการคิดของเราต่อไปนี้แทนที่จะคิดว่าไปหาเงินที่ไหนดีก็ไปหา ไอ้นั่งสมาธิที่ไหนดีแทนมันก็เป็นสามมาไปความคิดที่ดีอ๋อความคิดที่ดีมันก็จะนำไปสู่การกระทำที่ดีแทนที่จะไปทาบาปเราก็ไม่ทแลวแทนที่จะไปทำไปพูดไม่ดีเราก็ไม่พูดละแล้วลมันก็จะพาเราไปสู่การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาตามลำดับต่อไปคาถามจากคุณศศินาเราจะเปิดกิจการใหม่ต้องทำพิธีใหม่คะ ท ำ, ทำไปทํำไรนะกรรมฐานไม่รู้ทําไปทําไ ม, ไมบอย ก, ก็เปิดได้สิจะมีจะมีอะไรอออย่างเมื่อเช้านี้มีญาติโยมคนหนึ่งเขามาทําบุญก็จะเปิดร้านขายอาหารแต่บอกถ้าอยากจะให้ขายดีคนเข้ามาเยอะๆก็เปิดร้านฟรีสักวันหนึ่ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวพอกเข้ามาชิมมากินเท่าติดใจเดี๋ยวเขาก็มาเองเอาเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้นะั่นแหะ ของในอินเทอร์เน็ตนี่ส่วนใหญ่ใหม่ๆนี่เขาให้ใช้ฟรีก่อนนพะอใช้ฟรีพอคนติดใจแล้วก็เริ่มเก็บตังค์แล้วคำถามจากคุณฟลุ๊กถ้าอยากให้แม่ความจําดีไม่อยากให้เสื่อมหรือหลงลืมพยายามให้อ่านหนังสือแต่ต้องมีปัญหาการควรทําอย่างไรก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปมีปัญหากันอย่าไปอยากกันเรื่องความจํานี่มันจะเสื่อมไม่เสื่อมมันอยู่ที่ตัวของเขาบางคนก็เสื่อมเร็วบางคนก็เสื่อมช้า แต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่าไปฝืนธรรมชาติแล้วก็จะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติเสื่อมก็เสื่อมคำถามสากคุณเจนวิทย์ขณะผมปฏิบตัติไม่ว่ายามหลับหรือตื่นจิตจับแต่พุทโธแม้แต่ขณะฝันพอรู้ตัวจิตก็จับพุทโธ ท, ทันทียามตื่นก็จับพุทโธตอนนี้เหนื่อยเลยครับทาอย่างไรดี เหนื่อยก็หยุดบ้างก็ได้ให้ให้ดูร่างกายแทนให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทานั้นๆอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเหนื่อยแล้วก็เร า, เราใช้การดูดูการเคลื่อนไหวดูการกระทาของร่างกายแทนก็ได้คำถามจากคุณพรรลาดาสมัยนี้พระเล่นเฟซบุ๊กผิดศีลไหมคะดูเจตนาหรือเปล่าคะก็อย่างว่าแล้ว ดูเพื่อประโยชน์หรือดูเพื่ออารมณ์ความสนุกสนานดูเพื่อค่าเวลาดูเพื่อกำจัดความหงุดหงิดลำคาญใจท่านดูอย่างนี้ก็ไม่ถูกแต่ถ้าดูเพื่อเช่นที่เนี่ใช้ facebook เพื่อการเผยแผร่ธรรมะอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ย ว, วก็เพียงแต่เขาใช้ชื่อเราแต่คนที่เขา ใส่ข้อความต่างๆก็เป็นญาติโยมที่เขามีเวลาว่างที่เขาจะช่วยเผยแพร่ทำมาให้คือสื่อนี้มันก็เป็นเหมือนมีดมันเป็นดาบสองคมเอามาทําประโยชน์ก็ได้เอามาทําโทษกับเราก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์ก็อย่าไปใช้มันดีกว่าคําถามจากคุณทองธนานาทัทนั่งสมาธิอย่างไรให้สงบนิ่งไวสุดก็ต้องมีสมติมากๆ พอหลับตาพุโทโธได้สองสามคำมันก็รวมได้แสดงว่าสติเราแรงมากความคิดนี้ไม่มีเลยพอกำหนดพุดโทโธพุโทโธก็มีแต่พุโทโธอย่างเดียวไม่มีความคิดเข้ามาแทรกแม้แต่นิดเดียวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวๆสี่ห้านาทีก็สงบแล้วคำถามจะคุณเมตทาการทำบุญหล่อพระได้บุญเยอะจริงไหมครับมันก็เป็นทานอ่ะ บุญที่ได้จากการให้ทานมันน้อยกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็น้อยกว่าบุญที่เกิดจากการภาวน า, าถ้าอยากจะได้ได้ได้บุญมากๆก็ต้องภาวนาการทำทานนี้มันก็ได้ในระดับน้อยที่สุดทาบุญทำทานไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปเป็นหนังสือพระไตรปิฎกเป็นการใส่บาตรถอยจีวรพวกนี้มันก็ เป็นบุญระดับต่ำมันเขาเรียกบุญระดับทานสู้บุญระดับศีลไม่ได้สมมุติว่าถ้าเราไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของไปไม่มีเงินไปร่วมสร้างพระสร้างเพอเราเพียงแต่รักษาศีลห้าให้ได้นี่เราก็ได้บุญมากกว่าคนที่ไปทําบุญต่างๆนะเพราะถ้าเรามีศีลห้านี้เราปิดประตูอบายได้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าคนที่ทําบุญทําทานแต่ยังปิดยังรักษาศีลห้าไม่ได้ยังต้องไปอบายอยู่ บุญที่เราทำไว้มันก็จะรอเวลาเราเกิดมันเป็นมนุษย์ถึงจะได้รับผลจากมันแต่ถ้าเราไม่มีศีลนีน่เวลาตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนแล้วพอเรากลับมาจากกรบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราถึงจะได้รับอ น, นิสงค์จากทานที่เราทำไว้คือทานมันก็ทำให้เรากลับมาเกิดลั่ารวยอยู่สุขสบาย ว, ว่าเราทำทานไว้แต่ถ้าเราไม่รักษาศีลเวลาตายไปมันต้องไปใช้กรรมก่อน แต่ถ้าเราทําทานได้ด้วยแล้วรักษาศีลได้ด้วยเราก็ไม่ต้องไปอบายพอตายไปเราก็ได้ไปสวรรค์ก่อนไปเที่ยวสวรรค์ในสวรรค์ก่อนแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้รับอนิสวงของทางที่เราทำํำทานนี้จะทําให้เราไปสวรรค์ด้วยแล้วทําให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีความร่ํารวยมีฐานะที่ดีไม่อดอยากขาดแคลนคําถามจากคุณเกรียงไกร นอกจากการนั่งสมาธิปกติวัน ล, ละสองสามรอบแล้วการพิจารณาธรรมระหว่างวันจะช่วยให้วิปัสสนาเดินได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับการพิจารณาตายรักนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาถ้าเราพิจารณาบ่อยๆมันก็จะทำให้เราชำนาญขึ้นไวขึ้นจะเห็นจะเห็นจะเห็นความจริงเร็วขึ้นจะกำจัดความหลงได้ง่ายขึ้น ยังมีบ่อยครั้งที่สติอ่อนเผลอตามกิเลสไปทำอย่างไรกำลัง ส, สติจะดีมากกว่านี้ครับก็ต้องหมั่นจเจริญสติอยู่เรื่อยๆหมั่นพุโทโธอยู่เรื่อยๆคำถามสักคุณกาญจนาเวลานั่งสมาธิแม้ว่าอยู่ในห้องแอร์จะบางครั้งจะรู้สึกร้อนเป็นเพราะกิเลสหรือเป็นสาภาวะให้พิจารณาทาดไปเจ้าคะแต่เมื่อบริการพุโทโธก็รู้สึกเย็นเจ้าคะ่ะตามปกติเวลาเราอยู่ในท่านั่งนี่ร่างกายมันจะร้อนก่อนในท่าอื่น นั่งสมาธินี่มันทำให้เหงื่อแตกได้เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายไม่มีปัญหาอะไรคาถามจะคุณมัคคาความคิดกับการพิจารณาต่างกันอย่างไรครับการพิจารณาก็คือการใช้ความคิดถึงแต่ว่าการพิจารณานี่เราคิดด้วยเหตุด้วยผลการคิดนี้ถ้าไม่ได้พิจารณาก็อาจจะคิดด้วยอารมณ์คิดด้วยกิเลสตัณหาคิดด้วยความอยากคิดด้วยความหลง มันก็เป็นความคิดมาจากสังขารตัวสังขานี้ถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เรียกว่ามรตถ้าคิดด้วยอารมณ์ก็เรียกว่ากิเลสตัณหาเวลาเราพิจารณานี้เราจะพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลตามหลักความเป็นจริงเช่นพิจารณาร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เรียกว่าการเป็นการเป็นการเจริญมรตถคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดตามหลักของความเป็นจริง แต่ถ้าคิดว่าอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะไม่แก่อยากจะไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้คิดไปในทางกิเลสคิดแบบนี้แล้วก็จะทําให้ทุกข์เพราะเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายจะทําใจไม่ได้แต่ถ้าคิดไปในทางธรรมมันก็จะเตรียมตัวเตรียมใจว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายนะพอเราเจอมันเราก็ทําใจพอเราทําใจใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามจะคุณน้ำใสอยากถวายพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำคือสวดมนต์และแผ่เมตตาทำถูกต้องไหมคะพรที่ดีที่สุดการที่จะมอบให้กับผู้ที่เราเคารพเคารพ ก, ก็คือปฏิบัติบตูชาคือเราบูชาด้วยการปฏิบตัติคือทำตามที่คำสอนของท่านท่านสอนให้เราทำอะไรเราก็ทำตามคำสอนนั้น แต่คำสอนนั่นก็ต้องเป็นคำสอนที่ถูกตามหลักธรรมถ้าเป็นคำสอนที่ไม่ถูกก็ไม่ควรกระทำเช่นเราเคารพพ่อแม่อยากจะให้พ่อแม่มีความสุขแล้วก็พ่อแม่สอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนดีพอเราเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุขเราให้ความสุขกับพ่อแม่ในหลวงก็อยากให้บ้านเมืองสงบอยากให้พวกเรารู้นักสามัคคีกัน ถ้าพวกเรารักสามัคคีกันไม่มาแตกแยกกันไม่มาแบกพักแบ่งพวกไม่มาแก่งแย่งชิงดีกันในหลวงท่านก็จะมีความสุขค่ะำถามจะคุณแอมบทสวดมนต์ควรสวดเรียงตั้งแต่บทไหนถึงบทไหนดีคะโดยการสวดมนต์นี่มันเป็นการอุบายของการทําสติการทําสมาธินั่นเองแทนที่จะใช้พุโทโธเราก็ใช้บทสวดมนต์แทนก็ได้สวด e อิมมาาติปิโสอัลังสมาสวาก้าโตสุปฏิปันโนไป พอเราส่วนแล้วใจเราจะได้ไม่ไปไม่มีเวลาไปคิดเรื่องต่าง ๆ, ๆนานานะมันก็เป็นการเจริญสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนี่ยก็เลยก็เป็นการเป็นการสวด ม, มาจากการสวดมนต์นี่บางทีมันยาวแล้วขี้เกียจล้วก็เอาคำสั้นๆพุทโธคําเดียวนะมันก็จะทําให้สงบง่ายสงบได้ได้มากกว่าแต่ถ้าใจเราฟุ้งมากนี่จะอยู่กับพุทโธคําเดียวไม่ได้เราก็สวดไปก่อน สวดอ้ติปีโสไปก่อนสวดสวากขาโตไปก่อนสวดไปจนกรทังมันรู้สึกเหนื่อยมันมันอยากจะหยุดแล้วเราค่อยมาพุทโธเริ่มมาดูลมหายใจดูมาดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะดึงใจให้มันให้มันกลับมาปัจจุบันเพราะเวลามันฟุ้งมากๆมันจะคิดเรื่องคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้จะใช้พุทโธมันก็ไม่มาจะให้มันดูร่างกายมันก็ไม่มาก็ให้มันสวดวนไปเลย อย่างที่เราสึดใหม่ๆนี่เราสวดสวดสติปัฏฐานสวดไปเลยสวดไปสี่สิบนาทีเนี่ยกว่าจะจบเอามันให้มันจบเลยพอมันสวดสี่สิบนาทีแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันไม่อยากจะคิดอะไรละมันก็เลยนั่งดูลมต่อได้คำถามจากคุณสระออเวลานั่งสมาธิแล้วมีอาการสะดุ้งอาการแบบนี้คืออะไรคะก็มีได้อันนี้จังทุกขงังอนัตตามันสะดุ้งก็รู้ว่ามันสะดุ้ง แล้วก็มันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปเอามันมามันเป็นอดีตไปแล้วแล้วกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันให้เราตั้งอยู่ในปัจจุบันแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดปั๊บก็ดับไปแล้วไอเราไปดึงมันกลับมาเองเหมือนกับดูหนังอะเอาหนังเก่ามาฉายซ้ําแล้วซ้ําอีกเขาด่าเราแต่เมื่อเช้านี้ตอนเย็นนี้ยังคิดถึงคําด่าของเขาอยู่ไปคิดทําไมเขาด่าหนเดียวแต่เราเอามาด่าตัวเราซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่รู้กี่ร้อยหนด่าทีไรก็ทุกๆทีใช่ไหม แต่เราไม่มีสติใจเรามันพอไม่ชอบอะไรมันแทนแทนที่จะปล่อยมันกลับดึงกลับมาอยู่เรื่อยๆพอเขาพูดไปดีก็ดึงกลับมาคิดอยู่นั่นอ่ะยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์คาถามจากคุณพันลดาที่เขาบอกบุญต้องระลึกถึงตลอดเวลาเพราะบุญจําเจ้าที่ทําไม่ได้ดังนั้นเราต้องนึกถึงบุญถูกต้องไหมคะไม่ถูกหรอกคนยานึกถึงบุญที่เราควรนยานึกก็คือสติส่วนบุญที่เราทําไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปนึกถึงมันอ่ะ เสียเวลานอกจากเราไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญสติได้นึกถึงบุญที่เราทำยังดีกว่าไปนึกถึงบาปที่เราทํเพาเวลาไปนึกถึงบาปแล้วใจยังไม่สบายเองก็นึกถึงบุญเงินแล้วกันถ้าเราไม่สามารถนึกถึงพุโทโธได้ก็นึกถึงคาดีต่างๆที่เราเคยทำไว้มันก็จะช่วยทำให้ใจเราสบายเห็นได้คำถามจะกคุณส่วนคุณตาเฮิร์ พระโสะดาบันท่านจะทราบได้อย่างไรว่าท่านสําเร็จแล้วโดยความเข้าใจว่าตนสําเร็จนั้นไม่ได้เป็นวิปัสสนาการท่านปล่อยวางร่างกายได้ท่านไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายคําถามจะคุณนะรินทร์พรถ้าเรามีลูกค้ารายใหญ่ที่เคยดูแลมาก่อนแต่ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่อีกท่านเอามาเอาลูกค้ารายใหญ่ของเราไปติดต่อแล้วปิดการขาย โดยแจ้งกับโดยแจ้งกับเราแค่ว่าไม่รู้จริงๆแต่ไม่คืนเราทำให้เรามีโอกาสสูงในอนาคตสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ท่านนี้ไปในจำนวนหลายสิบล้านเราต้องอยู่แวดล้อมเราต้องอยู่ในสภาพว่าล้อมสังคมแบบนี้อย่างไรจึงจะมีความสุขและแก้ปัญหาระยะยาวค่ะก็พิจารณาว่ามันเป็นตายรักก็แล้วกันมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันนี้เป็นของเราพรุ่งนี้ก็เป็นของคนอื่นได้ แมื่คนอื่นก็แย่งไปก็ให้เข้าไปถ้ามันอะไรเป็นของเราเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราเองถ้าเราบริการดีกว่าเดี๋ยวเ้ากลับมาหาเราเองแต่ถ้าเราก็บริการดีกว่าเขาก็ไปอยู่ดีคําถามจากคุณเกรียงไกรกลับเรียนท่านพระอาจารย์อธิบายประโยชน์สามสำหรับคาราวะครับมีอะไรสามประโยชน์สามไม่รู้เหมือนกันคำถามจากคุณเพิ่มพงถ้า ถ้าพิจารณากายไปเลยนี้ได้ไหมครับถ้าพิจารณาได้ก็ดีดตกูจะพิจารณาไม่ได้พิจารณาเพื่อปล่อยวางพิจารณาว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรียกว่านิ จ, จังพิจารณาว่าร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการส2ไม่มีตัวไม่มีตนพิจ า, ารณาว่าร่างกายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกข์เพราะไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องมองว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเรา ถ้าพิจารณาได้ก็ดีเลยก็บรรลุเป็นโสดาบันได้เลยกลจะไม่พิจารณาสยข้อสองกา ร, รการบริการบริกรรมจิตต้องรวมขนาดไหนจึงจะถอยออกมาพิจารณากายได้ต้องมีปฐมฌานอย่างน้อยใช่ไหมครับก็ต้องมีขั้นฌานสี่นะที่เรียวกว่าอุบเบกขาฌานหนึ่งฌานสองฌานสามนี้ยังไม่พอต้องให้จิตรวมเป็นอัปปนาเป็นเป็นฌานสี่ เหลือแต่อุเบขาพอเราต้องการตัวอุเบคานี่เป็นตัวที่จะใช้สู้กับตันหาความอยากต่างๆได้ในเรื่องของอความหมายของคณิกะอุปจาระและอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิคือปฐมฌานอุปจาระคือทุติยฌานตาติฌานอัปปนาสมาธิคือจตุฌานแบบนี้หรือไม่ครับแม่เหรอ คณิกกกับอัปปนานี่เป็นฌานชาเป็นฌานาสี่เป็นอุเบคาแต่มันคณิกะมันแป๊บเดียวขณะเดียวเขาเรียกคณิกะส่วนอัปปนานมันนานอยู่เป็นได้เป็นหลายหลายนาทีหลายสิบนาทีานี่เรียกว่า ป, ปนานส่วนอุปจาระนี่พอจิตสงบแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ในอุเบคาออกไปรับรู้นิมิตต่างๆเรียกวอุปจาระคําถามจากคุณสิริพร ในขณะกำหนดรู้กิริยาอาการจะเกิดความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจบ่อยครั้งคือตายรักหลังจากนั้นเราควรปฏิบัติต่ออย่างไรคะคือการที่เรากำหนดสตินี้เพื่อเราไม่ให้คิดอะไรแต่ถ้ามันคิดไปในทางตายรักก็ไม่เป็นไรไม่เป็นแต่มันก็มันก็ไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ทําให้ใจเรานิง่งหรืออาจจะนิ่งก็ได้ไม่รู้นะถ้าคิดไปในทางตายรักมันก็มันก็จะทําให้เราไม่วุ่นวายได้ แต่ถ้าเราต้องการให้มันสงบเต็มที่นี่เราต้องไม่คิดอะไรเลยแม้ขณะช่วงนั้นไม่ควรจะคิดเรื่องตายรักเรื่องอะไให้ให้ใจรู้เฉยๆให้สักแต่ว่าโลกคำถามจากคุณสมปองตอนอายุสิบเจ็ดจิตเข้าสู่ความสงบโดยบังเอิญขณะนั่งทําวัดเพราะนั่งดูลมหายใจจิตสงบเกิดความเย็นใจปิติขนลุกครั้างอยู่เป็นชั่วโมงเป็นความสุขครั้งแรกทําให้ลืมไม่ลง ต่อมาเพราะความทุกข์บีบคั้นทำให้เกิดแรงจูงใจในการภาวนาเริ่มแรกคิดว่าจะนั่งให้นานที่สุดคงไม่ถึงกับทำให้รวมทำบ่อยๆเข้าเหมือนจะชำนาญไม่ต้องบริกรรมจัดอารมณ์ให้จิตรวมได้ง่ายๆเหมือนอุ้มเด็กเข้านอนพิจารณาอาการ32อาการคล้ายคนจะหลับบางครั้งแขนขาเกรง็งวูบลงไปแต่ก็จิตรวมมีสติดีข้างนอกได้ยินปกติแต่เหมือนคนละส่วน บางครั้งก็ถอนออกมาเองแบบมีสติบางครั้งเหมือนหลับแล้วก็ออกมาเกิดความอิ่มใจถ้าไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนแบบจะหมดจะต้องปลีกตัวทุกครั้งต่อมาจิตมันเสื่อมเพราะมีนิวร์เข้ามาจากที่เคยขยันกลับกลายเป็นอยู่แบบสังกตายเศร้าหมองจนได้ลาสิกขาออกมายังอาไรยังเห็นภายในสงสารอยู่สิบกว่าปีแล้วที่ยังทาไม่ได้จะดาเนินหรือวางใจอย่างไรดีครับ ก็ต้องถ้าอยากจะให้พัฒนาจิตใจก็ต้องกลับมาที่สติต้องกลับมาปลูกสร้างสติขึ้นมาใหม่ถ้าไม่มีสติก็ต้องทาใจว่าก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอัตตาหิอัตนโนนาโธไม่มีใครที่จะมาช่วยเราให้ออกจากสภาพที่เราเป็นอยู่นี้ได้นอกจากตัวเราเองถ้าเราไม่ขวนขวายเราไม่สร้างวิริยะความอูตสึความเพียรพยายาม ที่จะหมันจเจริญสติเราก็จะติดอยู่ในสภาพนั้นต่อไปคําถามจากคุณดิศราพรการอาราธนาศีลทุกวันมีประโยชน์อย่างไรคะไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าการอาราธนาสินนี่ความจริงเป็นการไปขอคําสอนจากพระว่าศินห้ามีอะไรบ้างศินแปดมีอะไรบ้างให้พระสอนเราสอนแล้วเราก็จะรักษาศีลขอเพื่เดียวก็พอไปขอมันทุกวันทําไมใช่ไหม เราไปขอนี่เพื่อให้พระสอนเราบอกเราแล้วเพื่อที่เราจะได้นำมาไปรักษานี่เรียกว่าอาราธนาเมื่อเราได้ขออาราธนาเอาศีลไปแล้วเราก็รักษาไปเสร็จไม่ต้องมาอาราธนาอีกแล้วให้รักษาแล้วทงต้นก็คือไปรับศีลมาแล้วเราไม่รู้ว่าศีลมีอะไรแล้วก็ไปถามพระดูว่าศีลห้ามีอะไรบ้างศีลแปดมีอะไรบ้างไปแล้วมาบวชในศีลสองยบ็ก็ต้องมาศึกษา พอรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างก็รักษามนไปเหมือนกับเวลาเราไปขับรถเนี่ยเราไปทําใบขับขี่เขาก็ต้องให้เราสอบก่อนใช่ไหมให้เรารู้จากกฎจราจรกัอนอันนี้ก็เหมือนกับอาราธนะาแล้วเราไปสอบใบขับขี่ได้แล้วเราต้องไปสอบทุกวันหรือเปล่าใช่ไหมพอเราได้ใบขับขี่มาแล้วเราก็รักษากฎจราจรที่เราได้ไปเรียนรู้มาอันนี้ก็เหมือนกันพอเราได้รับศีลห้ามาแล้วรับศีลแปมาแล้วเราก็รักษาไป ไม่จําเป็นจะต้องอลาธนาให้มันเสียเวลาคําถามจากคุณอาทิตย์เฟมไซเคิลโปรพระอานน์ตอนที่พระพุทธเจ้าจับปรินิพานทําไมจึงร้องไห้ทั้งๆที่ได้พระโสดาบันแล้วก็ท่านร้องไห้ด้วยความความเสียดายท่านก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะโสดาบันนี้ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสท่านหลุดพ้นเพียงแต่ท่านก็อ ท่านท่านหลุดพ้นจากการยึดติดในร่างกายแต่ท่านยังยึดยังยึดติดในคาว่าพราะพุทธเจ้าอยู่คาถามจะคุณพินแคนเมื่อเราทำงานให้บริการผู้ป่วยเห็นความเจ็บป่วยความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจที่เป็นทุกข์เมื่อเห็นแล้วนำมาพิจารณาเกิดความเห็นใจในเบื้องต้นแต่เกิดความเบื่อนหน่ายในการเกิดขอทราบแนวทางการวางจิตต่อไปค่ะถ้าเบืหน่ายการในการเกิดก็ต้องไปบวชมี เปลี่ยนเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนชีวิตเราใหม่เหมือนกับเปลี่ยนทิศทางการเดินของเราทิศทางที่เรากําลังเดินอย่นี้มันเดินอยู่ในวงเวียนการหาราบยศสรรเสริญความสุขทางโลกนี่มันเป็นการเหมือนวนเวียนอยู่ในขับรถวนอยู่ที่วงเวียน น, นูสาวรีเนะี่ยมันไม่ไปไหนหรอกถ้าเราอยากจะไปเหนือไปใต้เราก็ต้องแยกออกจากวงเวียนนั้นถ้าอยากจะไปเหนือก็เลี้ยวขึ้นไปปะหนโยทินขึ้นไปเชียงใหม่ ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเราอยู่มันก็จะวนเวียนอยู่ในที่เดิมมันก็จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนเดิมคำถามจากคุณสมยัยทำอย่างไรให้เราไม่โกรธไม่เกลียดคิดอย่างไรให้เราควบคุมอารมณ์ของเราได้ความโกรธก็เกิดจากความอยากนี่แหละอยากได้อะไรมันก็พอไม่ได้ดังใจมันก็โกรธดงั้นถ้าไม่อยากจะโกรธก็อย่าไปอยากได้อะไรถ้าไม่อยากได้อะไรก็จะไม่โกรธ คำถามจะคุณเกรียงไกรกับเรียนพระอาจารย์อธิบายประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคารวาสครับประโยชน์ตนก็คือสร้างความสุขให้กับเราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปประโยชน์ของผู้เมื่อเราได้ดับความทุกข์ใจแล้ ว, ลวช่วยเราก็ไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปประโยชน์ยิ่งก็คือการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิด คำถามจากคุณโพชนีไม่ได้สวดมวนต์ทุกวันแต่มักจะชอบนอนภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆจนหลับไปในสมาธิได้อ น, นิสงการภาวนาหรือไม่คะก็ได้หลับเลยหลับสบายไม่ต้องกินยานอนหลับคำถามจากคุณโสพิษทุกวันนี้เห็นสัตว์เจ็บป่วยหรือคนทำร้ายสัตว์จะทุกข์มากไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรบางทีก็ซื้อผักผลไม้เยอะเลี้ยงช้างและต้องให้ตังคนเลี้ยงช้างด้วย ให้อาหารเขาด้วยก็ต้องเจริญอุบเบกขานะว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมามย่อมมีกรรมเป็นของของตนเคยทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นรับผลของกรรมนั้นบางทีก็ต้องถูกเขาทำร้ายบางทีก็มีคนมาเลี้ยงมันก็แล้วแต่บุญแต่บาปที่เคยทํามาเราก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยสัตว์ทุกตัวได้ตัวไหนเราช่วยได้เราก็ช่วยไปตัวไหนที่เราช่วยไม่ได้ก็ต้องปรงไป คำถามจากคุณสารัตการทงความสงบแล้วเป็นปัญญาอย่างไร อ, อ๋อการสงบนี้มันไม่เป็นปัญญามันเป็นเพียงแต่ อ, อ่เป็นเป็นเหมือนกับการที่จะทำให้เราสามารถคิดไปในทางปัญญาได้เพราะว่าเวลาใจเราสงบนี้มันจะไม่มีกิเลสตัณหาถ้ามีกิเลสตัณหามันจะไม่ชอบคิดไปในทางปัญญามันจะชอบไปคิดไปในทางความหลง มันชอบคิดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหารากยศสรรเสริญแต่พอเรามีใจสงบนี้เราสามารถบังคับให้มันคิดไปในทางปัญญาได้ให้มันดูความแก่ความเจ็บความตายของเราได้ให้มันดูอสุภะของร่างกายได้ธรรมดามันจะไม่ชอบดูของพวกนี้แต่ถ้าใจสงบนี้เราสามารถที่จะบังคับมันไปได้ถ้ามันไม่สงบพอเราไปคิดถึงความตายนี่มันจะ มันจะต่อต้านมันจะสร้างความรู้สึกหดหู่ไม่สบายใจขึ้นมาตอนเราไม่กล้าจะไปคิดถึงมันดังนั้นเราต้องทำใจให้สงบก่อนเพื่อเหมือนกับเวลาหมอจะผ่าตัดคนไข้เนี่ยต้องวางยาสลบก่อนพอคนไข้สลบแล้วคนไข้ก็ไม่ดิน้นไม่ต่อไม่ต่อสู้หมอก็จะผ่าได้อย่างสบายฉัยในไดใจก็เหมือนกันเวลาจะผ่าตัดใจนี้ก็ต้องวางสลบให้กับกิเลสก่อนให้กิเลสมันหยุดทางานก่อน ออกกิเลสไม่ทํางานแล้วเราไปพิจารณาความจริงความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะไม่รู้สึกขดหู่ไม่รู้สึกไม่สบายใจมันจะรับได้มันจะเข้าใจและยอมรับแล้วมันจะพยายามนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆต่อไปเพราะมันจะเห็นคุณประโยชน์แล้วว่าอ๋อการที่เราเห็นความจริงนี้มันทําให้เราไม่ทุกข์กับมันแล้วเมื่อก่อนเราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย แต่พอเราพิจารณาจริงๆแล้วก็เรารู้ว่ามันไม่มีทางอื่นมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอย่างเดียวมันก็จะทําให้เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ทําใจปลงใจได้พอปรลงใจได้แล้ว เ, เราก็จะไม่ทุกข์กับมันคําถามสกุลวรปัญญาทําบุญแผ่เมตตาให้คนอื่นๆได้จริงไหมครับหรือกรรมใครกรรมมันแบ่งไม่ได้คือคาว่าแผ่เมตตากับอุทิศบุญนี่เป็นคนละเรื่องกัน นี่เราพูดนี้คงยังหมายถึงอุทิศบุญให้เรามีบุญแล้วเราก็แบ่งให้ผู้อื่นไปบุญที่เราอุทิศได้ก็เป็นบุญที่เกิดจากการทําทานเท่านั้นแต่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนานี i เราแบ่งให้เขาไม่ได้อันนี้ต้องของใครของมันแต่เราอยากจะได้บุญจากการรักษาศีลเราต้องรักษาเองเราอยากจะได้บุญจากการภาวนาเราต้องภาวนาเองแต่ถ้าเราอยากจะได้บุญจากการทําทานนี้ท่านบอกว่าแบ่งได้แต่แบ่งได้น้อย อย่างได้เพียงเซี่ยวเดียวเวลาคนที่ตายไปแล้วเขาไม่มีบุญเข้ามาขอบุญนี่เขาหิวไม่มีอาหารอาหารคือบุญเขาเขาขอให้เราไปทําบุญแล้วแบ่งให้เขาอันนี้แบ่งได้แล้วก็จะมาขอบุญจะที่เกิดจากการรักษาศีลของเรานี้ไม่ได้ก็อยากจะรักษาอยากจะมีบุญจากการรักษาศีลเขาก็ต้องรักษาศีลเองคำคำ ส, ส่วนความเมตตานี้ก็คือการมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น อันนี้เราต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันเป็นตอนนี้เรามานั่งคุยกันนี้เราก็แบ่งปันความสุขให้กับกันไม่มาด่ากันไม่มาตีกันถ้าไปวงไปที่ไหนแล้วมีคนเขานั่งด่ากันนั่งตีกันตรงนั้นกำลังไม่ได้แผ่เมตตาละกาลังแผ่ความโกรธเกลียดเคียดแค้นฆาทายาบาลนะแต่ถ้าที่ไหนไปแล้วมีคนยิ้มแย้มแจ่มสใสเป็นเราไปงานเลี้ยงก็เอาอาหารมาเลี้ยงเรา เจ้าของงานกําลังแผ่เมตตาให้กับคนที่ไปงานเลี้ยงนี่คือเรื่องของการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่มีคนต่อหน้าคนหรือต่อหน้าสัตว์เช่นมีหมามีเหมา อ, อะไรนี่สงสารมันก็จัดงานเลี้ยงให้หมาบ้างก็ได้ยังมีคนบางคนก็จัดงานเลี้ยงให้หลิงกันเนี่ยยังมีมีอยู่ประจําปีหรือเปล่าที่รับุรีนี่หมดแล้วเหรอแล้ว ห, หมดเวลา คก็ต้องเสียต้องขออภัยด้วยนะคำถามต่างๆที่ไม่สามารถตอบให้หมดได้ถ้าตกค้างอันไหนก็าพรุ่งนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาก่อนแต่ความจริงข้อความนี้มันก็แปลกนะมันต้องควที่เราควรจะอ่านจากข้างล่างขึ้นมาะเพราะเขาส่งเข้ามาก่อนถ้าเราไปอ่านจากข้างบนนี้มันคนที่มาทีหลังก็จะได้ไปก่อนเอ็นต่อไปเราต้องต้องอ่านจากข้างล่างจะได้จะได้แฟร์หน่อย งั้นเขาส่งคำถามเข้ามาแล้วแล้วไม่ได้รับคําตอบเพราะเข้ามาก่อนแต่เจะไปรออยู่ที่สุดท้ายเรอคําถามมันจะเข้ามาแล้วมันจะของใหม่มันจะขึ้นมาก่อนใช่ไหยงั้นต่อไปเวลาจะตอบคาถามมันจะต้องไล่ไล่ ไ, ลไปหาคํําคาถามที่เริ่มต้นก่อนหรือไม่ใช่นนั้นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมก็แล้วกัน <c oughs> ไม่รู้จะทำไงบางทีมันยากเพราะมันมั น, ม, นมันเยอะบางทีไล่ไว้ไม่รู้ก็อาจอาจจะต้อง เอาตามบุญตามกรรมก็แล้วกันไม่เป็นไรคำถามของคนหน่นของเราบางทีก็คล้ายๆกันนะฟังก็ได้ประโยชน์เหมือนกันก็ต้องขอความเห็นใจทีมงานด้วยเขาก็ยุ่งยากพอสมควรก็ถ้าไม่ได้ตอบก็ถามมาใหม่ก็แล้วกันแล้วถ้าบุญดีวาสนาดีก็ จ, จะได้คําตอบก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิชพิจณ า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ